เวลาจำกัดเดี๋ยวทำความเข้าใจเรื่องสัมมาทิฏฐิกันนีในเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องสัมมาทิฏฐิเนยเพราะว่าวันนี้วันที่เก้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวไม่ทันได้ข้อมูลความรู้ <c oughs> อ, อตั้งน้โมกันก่อน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 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอาระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระขวต า, าธมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโค ทั้งขังนาะมามิสาธุเอาเดี๋ยวเราพอ <c oughs> ดีในพูดในเรื่องของกรรมอยู่พอพูดถึงเรื่องกรรมก็เลยไปนึกถึงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิสูตรสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ เชตวันอารามของท่านอนาถปินิกาเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีณที่นั้นแหละท่านภาษาริบุตรเรียกภิกษุว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านจึงกล่าวว่ามีคนกล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิบอกเหตุใดอริยสาวกจึงมีสัมมาทิฏฐิ เห็นตรงเลื่อมใสแน่วแน่ในโลกุตลาธรรมมาสู่พระสัจธรรมนี้คือมาสู่พานิพานนีน้ด้วยอริยมรรคทีนี้ในพระสูตรเนี่ยก็พูดถึงในเรื่องของสัมมาทิฏฐิก็เลยมาแยกสัมมาทิฏฐิเป็นสองประเภทก็คือว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นฝ่ายโลกียะก็คือในเรื่องของกรรมสกตายานยานที่ยังรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตน แล้วก็สัจจานุรมิกายานยานที่ยังรู้โดยสมควรแก่การกำหนดรู้อริยสัจสีนี่นีพัฒนาไปแล้วจนถึงประการโลกุตระสมาธิฐิก็คือสมาธิติปายโลกุตระคือปัญญาที่ประกอบด้วยอริยามรรคและอริยผลเนี่ยภิกษุก็ถามว่าพวกกระผมมาจากที่ไกลเพื่ออะไรเพื่อทราบเนื้อความแห่งพาษิทิ์นี้ในสานักของท่านพวกกระผมขอโอกาส คอยท่านได้โปรดแสดงเนื้อความแห่งภาษิีนั้นได้เถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วจะได้ทรงจําไว้ท่านภาษาริบทก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวขันภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านก็กล่าวลําดับแรกท่านริบตื้อบถึงเรื่องของกุศลน ก, กุศลนะท่านบอกว่าเมื่ออริยาสาวกเนี่ยรู้ชัดกุศลรากงาเงาแห่ง รู้ชัดอกุศลรากเงาแห่งอกุศลรู้ชัดกุศลและรากเงาแห่งกุศลจึงมีสัมมาทิฏฐิเห็นตรงเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้เอ้เมื่อกี้บอกว่าคําว่าเลื่อมใสแน่วแน่เนี่ยเห็นตรงด้วยเลื่อมเสียเลื่อมใสอย่างแน่วแน่ในธรรมเนี่ยหมายถึงเลื่อมใสในไหนเมื่อกี้ว่าไงนะคําว่าเลื่อมใสแน่วแน่ในธรรมในที่นั้นหมายถึงเลื่อมใสแน่วแน่ใน โลกุตรธรรมแล้วก็อีกคำานึงบอกว่ามาสู่พระสัทธรรมนี้แต่ไปเจอนในบาลีนะแปลว่าอะไรพระมาสู่พระสัทธรรมนี้ก็คือมาสู่พระนิพ <c oughs> นะพานนะพระนิพพานด้วยอริยมรรค <c oughs> เพราะว่าอริยมรรคเท่านั้นแหละที่จะนำกร ะ, กระแสชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้นิพพานอย่างอื่นไม่ได้ นี่นะเราเราไปอ่านในพระสูตรเราไปอ่านดูทีถ้าใครอ่านสัมมาทิฏฐิสูตรเนี่ยอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจตรงเนี้ยจะมีคำว่ามันจะบอกว่าท่านภาษาริบุตท่านผู้มีอายุทั้งหลายเนี่ยที่บอกว่าภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนีย่บอกว่ามีคนเขากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยเหตุใดอริยาสาวกจึงมีสัมมาทิฏฐิ เห็นตรงเลื่อมสาเน่วนี้ในอะไรในในโลกุตตระธรรมใช่ไหมในโลกุตตระธรรมมาสู่พระสัตธรรมนี้อะไรเป็นตัวนํามาสู่อริยมรรคนํามาสู่นํามาสู่อะไรพระนิพพานาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเดี๋ยวทําความเข้าใจในเรื่องของทิฏฐิสัมปันโนโบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาธิทิฏฐิเนี่ย เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพระยบุคคลผู้บรรลุโสดาปิผลจนถึงบรรลุอรหัตผลนะเขาจึงเรียกทิฏฐิสัมปันโนผู้บรรลุสมาธิทิฏฐิหรือบางทีเราจะได้ยินคำทิฏฐิทิฏฐิปัตโตก็ได้ยินไหมเคยได้ยินคํานี้ไหมทิฏฐิสัมปันโนทิฏฐิปัตโตเคยได้ยินไห ม, i, ม, นน i, มนนเ น, หมนี่ยเพิ่งได้ยินนี่ใช่ไหมก็คือผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิ คำทั้งสองนี้ใช้เป็นคุณสมบัติของผ้าิยกบุคคลคือพระโสดาบันที่บรรลุตั้งแต่โสดาปฏิผลจนถึงบรรลุอรหัตผลเนี่ยจะมีสองคำนะสัมมากับคำว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยภาษาบาลีว่าอย่างเงี้ยสัมมาทิฏฐิโกในภาษาสันสกฤตเขาจะใช้คำว่าสังหรือใช้คำว่าสังสัมยักษ ทฤษฎีหรือว่าทฤษฎีเนี่ยนะคือคำว่ากรณียชนผู้มีสัมมาทิฏฐิปีชาที่พิเศษปัญญาในโสโดาบีมากเป็นต้นเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องทฤษฎีที่ถูกต้องทฤษฎีที่ชอบปัญญาที่เห็นชอบเนี่ยแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องศรัทธาก็เป็นศรัทธาที่ถูกต้องเพราะเป็นศรัทธาที่มีอย่างรากลึกถึงตัวปัญญาไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่ควรทําให้มีให้เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบความเห็นโดยชอบเนี่ยความเห็นโดยชอบก็คือโดยเห็นที่ไม่วิปริตผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงเขาเรียกว่าเห็นชอบสมาธิที่ก็แบ่งเป็นสองอย่างดังที่ได้กล่าวโลกิยะสมาธิอย่างหนึ่งก็คือเป็นสมาธิที่อย่างธรรมดาได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคองธรรมเช่นเห็นยังไงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเงียเป็นต้น คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนี่นะทีนี้แต่สัมมาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างสูงก็ได้แก่การเห็นในอริยสัจสใช่ไหมตัวมรรคเลยตัวมรรคที่ไปเห็นทุกเห็นตัวปัญหาราว่าเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้กำหนดรู้ให้ชัดอย่างนี้เป็นต้นนะจับตัวมันให้ได้เนี่ยแล้วก็สัมมาทิฏฐิที่ไปเห็นทุกขสมุทัยไปเห็นเหตุของปัญหา ว่าเป็นธรรมที่ควรประหารควรละสมาธิที่ที่ไปเห็นทุกข์นิโรธว่าเป็นธรรมที่ควรทําให้ประจักษ์แจ้งควรบรรลุถึงควรบรรลุถึงสมาธิที่ที่ไปเห็นอริยมรรคว่าเป็นทางดําเนินที่ไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงนี่เป็นข้อปฏิบัติเนี่ยสมาธิิอย่างนี้เป็นสมาธิที่ที่ระดับสูงนะทีนี้ สัมมาทิฏฐิของบุคคลผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือคนที่คนที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยคนที่ไม่เชื่อรั้นนอกกรีดออกจากธรรมะก็คือเห็นว่าบุญมีบาปมีเนี่ยนะทำดีย่อมได้ผลดีทำชั่วย่อมได้ผลชั่วเนี่ยความเห็นในลักษณะอย่างนี้ดัทงที่ได้กล่าวว่าถ้าในตัว มหาจัตตารีสกะสูตรจะพูดเรื่องสมาธิธิว่าอย่างนี้ว่า น, นี่พยายามนึกเยี๋ยนี้นะระดับสมา ธ, ธิที่เป็นสาสะวะกับระดับที่เป็นโลกุตระเข้าใจคำว่าสาสะวะไหมสมา ธ, ธิที่เป็นสาสะวะเนี่ยที่เป็นสมาธิธิยังไม่ถึงระดับโลกุตระ ที่ว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นเชไหนเรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิมี2อย่างสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะซึ่งจัดเป็นฝ่ายแห่งบุญอํานวยวิบากแห่งขันอย่างหนึ่งกับสัมมาทิฏฐิที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคนั้นอย่างหนึ่งนะทีนี้สัมมาทิฏฐิที่เป็นอาสวะจัดอยู่ในฝ่ายบุญอํานวยวิบากแห่งขันเป็นเไหนก็คือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลเราเห็นแบบนี้ไหม ทานที่ให้มีผลหรือไม่มีนี่เป็นความเห็นที่เป็นอาสวะสมาธิที่ที่ยังมีอาสวะอยู่พอเห็นว่าทานมีผลเวลาเราไปให้ทานไปรักษาศีลไปเจริญทำความดีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันจะทำให้ได้วิบากไหมทำให้ได้กระแสะชีวิตสืบต่อไปในสุขติอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นอาสวะอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังมีกระแสะของผลของบุญเกิดขึ้นอยู่ การบูชามีผลกรรมที่ทำไว้ดีไว้ชั่วมีผลวิบากโลกนี้มีประโลกมีมารดามีบิดามีเนี่ยคุณหมายถึงคุณนะสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นนมีสมณพรางผู้ประพฤติ ช, ชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศในโลกนี้ประโลกให้แจ่มแจ้งพอรู้ยิ่งด้วยตนเองมีอยู่นี่แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นอาสวะจัดเป็นฝ่ายแห่งบุญอานวยวิบากแห่งขัน เราเชื่อมั่นในปัญญาสัมมาสัมโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เคารพพระราตนาตรัยปฏิบัติตามคำสอนของท่านยังไม่พ้นจากการพ้นจากทุกข์ก็ได้วิวิบากที่ดีได้กระแสของรู ป, ปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้กระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจในทางที่ดีลักษณะอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะอยู่ยังไม่สามารถอํานวยผลให้เป็นปัจจัยการพ้นทุกข์เป็นต้นได้ส่วนสัมมาทิฏฐิเนี่ย ที่เป็นอริยะไม่มีอาสวะเนี่ยเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมักเป็นชไหนองค์มักคือสมาธถติที่เป็นตัวปัญญาเนี่ยเป็นปัญญินรีย์ด้วยอินทรีย์คือปัญญาเป็นปัญญาภละด้วยปัญญาที่มีกําลังนะเป็นธรรมวิจยะสมโพธชงด้วยเป็นการวิจัยแยกแยะผู้มีจิตเป็นอริยะมีจิตไร้อาสวะมีอริยมักเป็นสมังคีก็หมายความว่าบุคคลเหล่านี้สามารถประชุม สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกประสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวิยาะสมาสติสมาสมาธิพร้อมกันได้เมื่อไหร่เป็นมรรคจางคีเมื่อไหร่เป็นการประหารกิเลสลักิเลสได้เมื่อลักิเลสได้ก็เป็นผู้เจริญอริยมรรคยูนเนี่ยเรียกสมาทิฐิที่เป็นอริยไม่ไม่เป็นอาสวะเป็นโลกตะราเป็นองค์แห่งมรรคเลยอันเนี้ยไม่ไม่อํานวยวิบากแห่งขันอีกจะไม่นําเกิด นำไปสู่การปรินิพานเข้าใจนะทีนี้สรุปก็คือว่าสัมมาทิฏฐิถ้าตามมาสอนก็หมายถึงความเห็นที่ถูกต้องความเห็นถูกความเห็นโดยชอบก็คือเห็นไม่วิปริตไม่ผิดเพี้ยนความเข้าใจถูกต้องและเชื่อมโยงไปถึงศรัทธาได้ไหมต้องเป็นศรัทธาที่ถูกต้องไอศรัทธาที่ถูกต้องมีรนํามีปัญญาเป็นบริจาริกนะ มีปัญญานำหน้าความเห็นที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมเช่นเห็นว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วความแม่นตรงความพอเหมาะความจริงในทางที่ถูกต้องควรจะเป็นดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยปัญญาเห็นชอบสมาธิสี่42อย่างดังที่ได้กล่าวสมาธิสี่ที่ยังมีอาสวะจัดเป็นฝ่ายบุญอํานวยวิบากแห่งขันสมาธิสีที่เป็นอริยะไม่เป็นอาสวะก็เป็นโลกุตระนี่เป็นองค์แห่งมรรคก็คือความเห็นในอริยสัจสี ทีนี้สมาธิเนี่ยเป็นคำภาษาบาลีมีลักษณะที่เป็นกุศลอันนี้เป็นนอกจากนี้ยังมีคำที่หมายถึงสมาธิิในหลายๆความหมายด้วยนะภาษาพระก็เรียกวัยพศเช่นอุชุกาตาเคยได้ยินไหมเขาแปลว่าความเห็นดำเนินไปตรงนี่ปรากฏอยู่ในสมาธิสูตรนี่แหละที่บอกว่าอริยสาวก เห็นตรงมาจากคาอุชุกตาในสับเนียเห็นตรงเห็นตรงเนี่ยดำเนินไปตรงปรากฏในสมาธิสตรเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดซึ่งอกุศลรากเง้าของอกุศลรู้ชัดซึ่งกุศลรากเง้าของกุศลแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อริยสาวกนั้นชื่อว่าสมาเป็นสมาธิ มีความเห็นดำเนินไปตรงแล้วก็ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมคำว่าเลือกอันมีที่บอกว่าประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่ในธรรมะหมายถึงอะไรแน่วแน่ในธรรมะนั่นคือแน่วแน่ในโลกุตละธรรมแล้วก็มาสู่พระสัตธรรมนี้คำว่ามาสู่พระสัตวธรรมนี้หมายถึงหมายถึงอะไรนะ หมายถึงมาสู่พระนิพพานด้วยด้วยอะไรด้วยอริยมรรคนี้ด้วยอริยมรรคนี้นะนั้นคำว่าปัญญาปัญญาเนี่ยก็แปลรู้ทั่วรู้ชัดนะรู้ทั่วถึงเหตุถึงผลรู้อย่างชัดเจนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษรู้สิ่งที่ควรทําควรเว้นเป็นต้นเนี่ยธรรมะที่คอยกํากับศรัทธาเพื่อให้เชื่อประกอบกับเหตุและผลไม่ให้หลงงมงายเนี่ย ท่านต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่สหฤกษ์กับปัญญานะประกอบกับปัญญาเมื่อใดทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อนั้นก็จัดเป็นปัญญาหรือไวัยพ์คำหนึ่งของปัญญาแม้ในคำนั้นแรกๆ ก, กับสัมมาทิฏฐินั้นยังเป็นเพียงความเห็นหรือความเชื่อทั้งเพราะความเห็นและความเชื่อนั้นสอดคล้องกับความจริงมีความเข้าใจตรงสภาวะตามเหตุปัจจัย เป็นที่อ้างเป็นที่เริ่มเดินหน้าออกจากการครอบงมของอวิชชาและตัณหาถึงจะกลายเป็นตัวสมาธิทิฐิใช่ไหะใหม่ๆเนี่ยเวลาเราได้รับความรู้ปุ๊บใหม่ๆกลายเป็นอะไรก่อนเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นก่อนนะแต่พอเราไปกรองไปตรองไปไข้ควรไปวิจัยแยกแยะจนทิฏฐินั้นไปสอดคล้องกับความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็กลายเป็นสมาธิฐิ ใหม่ๆก็เป็นแค่ทิฏฐิเป็นทฤษฎีเป็นความคิดเห็นใช่ไหมฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเบื้องต้นจริงๆเนี่ยที่เราให้ข้อมูลความรู้กันเนี่ยมันจะกลายเป็นทิฏฐิก่อนเป็นความเห็นก่อนเป็นทฤษฎีกันเป็นทัศนคติมุมมองเลยก็ว่าไปแต่บางครั้งก็ยังไม่เป็นสมาธิทิฏฐิก่อนทีนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้แหละไอ้กรณีอย่างการที่ว่าบางครั้งเนี่ยให้ออกจากความงมงายได้แล้วก็ดันมาติดความเห็นซะอีก พอได้ความเห็นเบียดเสร็จเนี่ยพัฒนาต่อไม่ได้ก็เลยอยู่แค่นั้นแหละโอ้โหกลายเป็นคนที่เห็นอะไรไม่ได้คิดแยกแยะเมามันกับเรื่องการคิดแต่ยังไม่สามารถเดินไปสู่ธรรมาที่ถีได้เป็นต้นอะไเนี้ยนั้นความเห็นที่ดําเนินไปตรงและปัญญาความรู้ทั่วความรู้ถึงเหตุผลรู้อย่างชัดแจ้งเนี่ยรู้บาบุญคุณโทษทั้งหลายเหล่าเนี้ยอันนี้เป็นรู้สิ่งที่ควรทําควรเว้นเป็นต้นเนี่ยก็เป็นธรรมะ ประกอบกับปัญญานี่แหละตัวศรัทธากับปัญญานี่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าดูในมูลบัญชาในสัมมาทิฏฐิสูตรดังที่ได้รู้จักกุศลรู้จักอกุศลแล้วก็รู้จักรากเง้าของอกุศลาถามหน่อยเรารู้จักกุศลไหมออรู้จักอกุศลไหมรู้จักรากเงาของอกุศลไหม ถามเลยว่าอะไรกูเป็นอะไรคือกุศลอะไรคือรากเงาของอากุศลตอบหน่อยสิอะไรคือกุศลกุศลคืออะไรเออคืออะไรคืออากุศลอากุศลรู้จักอากุศลรู้จักรากเงาของอากุศลอะไรเป็นอากุศลก่อนไปอีกแล้วไปอีกแล้ว ถามอะไรอะไรคืออากุศลอะไรคือรากเงาของอากุศลเหมือนกันไหมกุศลอากุศลคือ <c oughs> รากเงาของอากุศลคือฮะ <c oughs> <c oughs> อากุศลก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์ ใช่ไหมการประพฤติผิดในการมการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคําหยาดการพูดเพ้อเจอ้อการละโมบ พ, พยาบาทและวมิฉาทิฐินี่คืออกุศลใช่ไหมล่ะแล้วรากเงาของอกุศลคือคืออะไรโลภะ ค, ความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่เป็นรากเงาของอกุศลงั้นให้รู้ชัด2 ส, ส่วนก่อน ว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นรากเงาของอกุศล น, นี่เขาเรียกว่ารู้ชัดฆ่าสัตว์นี่เป็นอกุศลใช่ไหมลักทรัพย์ก็เป็นอกุศลประพฤติผิดในกรรมก็อกุศลพูดเท็จพูดไม่จริงก็เป็นอกุศลพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเป็นอกุศลแล้วก็ละโมบพยาบาทมิจฉาทิฐิเนี่ยเป็นอกุศล เป็นไม่เป็นรากเหง้าก็คือความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงนี่เป็นรากเป็นรากเหง้าการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงใช่หัหยเป็นอกุศลไหมการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นอกุศลการประพฤติผิดในกามก็เป็นอกุศลการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อ ความโลภอยากได้ของเขาความพยาบาทบองร้ายเขาความเห็นผิดนี่เป็นอกุศลลักษณะของอกุศลเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอตัวที่เป็นอกุศลเนี่ยจะดูตรงนี้จะเห็นชัดว่าที่ท่านแสดงเข้าไว้นี่นะ บอกว่าดูก่อนพราภามขา่าวบดีทั้งหลายความประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติทำทางกายสามประการเป็นชไหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือที่เปื้อนเลือดพอใจในการฆ่าไม่มีความละอายไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งปวงนี่เป็นอคุศนไหมประการที่สองเป็นผู้ถือทรัพย์ ถือเอาทรัพย์ที่เขาไม่ได้ให้ลักทรัพย์เป็นอุปกรณ์เครื่องปืุมใจของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือที่อยู่ในป่าที่เจ้าของไม่ได้ให้นี่นับว่าเป็นขโมยเนี่ยประการที่3ความประพฤติผิดในการมทั้งหลายถึงความสมสู่ในพวกหญิงที่มีมารดารักษาที่มีบิดารักษาที่มารดาบิดารักษาพี่ชายรักษาเป็นต้นเหล่านี้หญิงที่เขามั่นไว้เนี่ยเป็นต้นดูก่อนพรามและ ข่าวบดีทั้งหลายความประพฤติไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติทำทางกายสามอย่างนี้เป็นอย่างนี้และอันนี้เป็นอกนุศลดูก่อนพราหมณ์และข่าวบดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่เรียบร้อยคือความไม่ประพฤติทำทางวาจาสี่อย่างเป็นฉนหนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กล่าวเท็จคืออยู่ในที่ประชุมก็ดี อยู่ในหมู่ชนก็ดีอยู่ในท่ามกลางญาติก็ดีอยู่ในท่ามกลางขุนนางก็ดีอยู่ในท่ามกลางราชตระกูลก็ดีหรือถูกนาไปเป็นพยานถูกถามว่าแน่บุรุษผู้เจริญเชิญเถิดท่านรู้เรื่องใดก็จงบอกเรื่องนั้นเขาก็เขาไม่รู้ก็บอกว่ารู้บ้างเมื่อรู้ก็บอกว่าไม่รู้บ้างเมื่อเห็นก็บอกว่าไม่ ว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็บอกว่าไม่เห็นเนี่ยเป็นผู้กล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่เพราะเหตุแห่ตงตนบ้างเพราะเหตุแห่งคนอื่นบ้างเพราะเหตุแห่งสิ่งของเล็กน้อยเป็นต้นบ้างอย่างนี้เ็าเรียกว่าอกุศลเป็นผู้ผู้สอนเสียดได้ฟังคำข้างโน้นมาแล้ว<ม>ก็นำไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายพวกข้างนี้บ้างฟังความข้างโน้นไปบอกอีข้างนี้เพื่อทาลายฝ่ายข้างโน้นบ้าง ยุโยงพวกที่พร้อมเพียงกันให้แตกกล้าวกันส่งเสริมพวกที่กําลังแตกกันให้แตกกันบ้างส่งเสริมพวกที่แตกกันแล้วไม่ให้ประสานกันเป็นไมตรีกันบ้างชอบใจในการแตกรล้าวของพวกอื่นยินดีในความแตกกันเป็นพวกชื่นชมในการที่คนเขาแตกกันกล่าวว่าจาที่ทําให้คนแตกกันเป็นพวกอันนี้ก็เป็นส่อเสียดนี่เป็นอกุศลแล้วเห็นไหม นีแ่แจงแงรายละเอียดแบบนี้เป็นผู้มีวาจาหยาบกล่าววาจาที่เป็นโทษหยาบอันเผ็ดร้อนแก่ผู้อื่นอันขัดใจผู้อื่นอันใกล้ต่อความโกรธไม่เป็นไปเพื่อความสงบใจเป็นคนพูดอะไรแล้วชอบพูดให้คนขุนเคืองเคยบ่อยไหมเป็นไม่เป็นเม้งเข้าใจคำว่าพูดหยาบไหมเป็นผู้พูดเพลอเจ้อ พูดในเวลาที่ไม่ควรพูดพูดเรื่องที่ไม่เป็นจริงพูดคําที่ไม่เป็นประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมพูดไม่เป็นวินัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่สุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยการกล่าวไว้สมควรเนี่ยสประการนี้แหละเป็นอกุศลดูก่อนพราหมณ์ขาบดีทั้งหลายความประพฤติไม่เรียบร้อยความไม่ประพฤติทางใจ3ประการบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีความโลภมากเพ่งเล็งทรัพย์ อันเป็นอุปกรณ์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นว่าขอทรัพย์สิ่งของผู้อื่นพึงเป็นของเราเถิดเคยไหมซับนี่หมายถึงบุคคลด้วยนะสิ่งของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเลยนะเคยไหมยอยากยอมรับอยากเคยไม่เคยไม่เคยเลยนะ เห็นลูกคนอื่นน่าจะมาเป็นลูกเราขอให้มาเป็นลูกเรา <laughs> เห็นคนนิสัยดีน่ารักฮะเห็นสุนัขคนอื่นโอ้ยอยากได้มาเป็นของเราไม่เคยเลยเลยนี่ก็ล ะ, ละมโมบอา้าวมีจิตพยาบาทมีความดํางิีดใจอันชั่วช้าว่าขอสัตว์ทั้งหลายนี้จงถูกฆ่าบ้าง ยงถูกทำลายบ้างให้สัตว์เหล่านี้ขาดศูนย์ไปเสีอย่าได้มีแล้วบ้างไปๆปไปิบิติไปเะยเคยไหมเคยใช่ไหมเนี่ยนี่พยาบาทนี่เป็นอกุศลนี่อกุศลนี่ต้องรู้ชัดก่อนว่านี่อกุศลเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเนี่ยไม่ควรทำอ้าวเห็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดว่าเห็นวิปริตผลแห่งทานที่ให้แล้วไม่มีผลไม่มีผลหรอกการบูชาก็ไม่มีผลการวงสรวงไม่มีวิบากแห่งกรรมที่ทําดีและทําชั่วก็ไม่มีเช่นเขาฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยมันไม่มีบาปลอกมันไม่มีผลหรอกไม่ลาบากหรอกฆ่ามดทตัวหนึ่งก็ไม่มีบาปไม่มีผลหรอก มันจะบาปได้ยังไงตัวมันเล็กเกินไปที่จะเป็นบาปฆ่าอาหารการฆ่าสัตว์มากินเป็นอาหารมันจะไปบาปได้ยังไงเนี่ยเคยเห็นแบบนี้มหมกเอ อ, อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเนี่ยก็เป็นอกุศลเนี่ ย, ยต้องรู้ชัดตรงเนี้เขาถอให้รู้ชัด <c oughs> <c oughs> เนแต่ก่อนมันไม่ชัดไงเรื่องเนี้ยแต่ตอนนี้ต้องการให้มันชัดตรงนี้นจะได้แยกให้ถูก อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอันนี้เป็นอกุศลก่อนนะมาโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกนี้มีไหมหมายความว่าสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้มีหรือไม่มีเคยเห็นว่าไม่มีใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหตายที่อื่นก็อยู่ที่อื่นนะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะตายจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้โลกหน้าไม่มีก็ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าโลกอื่นเป็นไปไม่ได้ไม่มี เห็นแบบนี้เห็นเห็นตรงหรือเห็นไม่ตรงเห็นไม่ตรงก็จึงเรียกว่ามิจฉาไปว่าผิดทิฏฐิแปลว่าความเห็นแปว่าเห็นผิดผิดจากทํานองของธรรมผิดจากความเป็นจริงลักษณะอย่างนี้เป็นอกุศลต้องอธิบายกันอย่างเี้ยั้นไม่ชัดชัดไห้แต่เนี้ยต่อไปจะได้ไม่ต้องถามคนน้อีกคนนีนี่เขาเรียกถ้าไปเจอบาลีเนี่ยนัตถิโลเกแปลว่าไงอ่ โลกนี้ไม่มีก็แปลกันอยู่แค่เนี้โลกนี้ไม่มีจริงๆมันมีไหมโลกนี้แต่ความหมายจริงๆหมายความว่าสัตว์ที่มาจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ไม่มีเห็นแบบนี้คาว่านนาทีโลกเกนเนี่ยบาลีมีแค่นี้ไงเพอไป่อ่านพระไตพีิดกก็ไม่เข้าใจกันอีกใช่ไหมนตทีโลกโลกนี้ไม่มีวะ โลกอื่นมีไหมคําว่าโลกอื่นโลกอื่นไม่มีเนี่ยเห็นยังไงคําว่าโลกอื่นไม่มีแปลว่างไงเมื่อกี้อธิบายไปแล้วอย่งททางตำหนางงเนี่ยเราไ ม, ไม่ไม่ตั้งใจฟังเป็นโทษนะไม่ใช่เห็นว่าเออแต่ที่ตายจากโลกเนี้ที่จะไป เกิดในโลกอื่นไปสู่ปร r a l l โลกอื่นเนะ่ยไม่มีไม่เชื่อลักษณะอย่างเงี้ยเป็นวิชาทิฏฐิแต่จริงๆเนะี่ยศาตรตายจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นนี้ไหมไปแบบไหนไปแบบวิ่งลอยไปหรือไปแบบไหนไปแบบเหมือนที่เราดูในภาพยนตนระ์เน่ะพอตายไปพบก็มีดวงลอยฟื้นจะไปเกิดเงี้ยเราเห็นอย่างงี้ไหมแลนะไปแบบไหนไปแบบไหน ไปแบบไหนอาการที่ไปเป็นอย่างไรอาสมมติว่าตายจากตรงนี้จะไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยไปยังไงใช้เวลาเดินทางยังไงสามารถทันทีติดต่อเลยหรือว่าวิ่งไปต้องมีเวลาชั่วขณะวิ่งไปก่อน เออต้องบอกอย่างนั้นเพราะกระแสจิตเนี่ยก็เหมือนเราคิดกลับบ้านด้วยที่เนี่ยนะเนี่ยไม่มีอะไรไปกั้นได้เลยในยคิดแล้วถึงบ้านกี่รอบแล้วยอมลำเอียง ก, <c ười> กี่รอบแล้ว <c ười> เป็นห้าสิบรอบเป็นร้อยรอบแล้วจะฆ่า <c ười> คิดไปได้ทุกแง่ทุกมุมทุกซอกทุกซอยคิดไว้นั่นแหละ โอกาสตายพบไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเ ป, เป็นมดเป็นแมลงสาบได้ ง, ง่ายมากพ้นไปได้เร็วงี้แหละกระบวนการความคิดเนี่ยแล้วเข้าทางไหนปิดประตูห้องแล้วคิดเข้าไปในห้องได้ไหมต้องไปเปิดประตูไหมความคิดเนี่ยวิ่งพรวดก็ไปได้ทุกที่นั่นอย่าแปลกใจการที่สัตว์ไปถือปฏิสันที่ในคันของใครเนี่ยง่ายมากนะง่ายมากพ้นไปได้วยกระบวนการของเกิดดับสืบต่อมันมีอนุภาพมากกิตเป็นอย่างงี้นะเบ ง, งนะ นั่นถ้าท่านจะคิดถึงท้องสุนัขแป๊บเดียวเท่านั้นแหละท่านจะไปเกิดเป็นลูกสุนัขได้ทันทีเลยขนาดนั้นแหละว่างั้นเถอะโอ้ยจากสองขาเป็นสี่ขาเนี่ยจากสองขากลายเป็นไม่มีขาก็ได้จากสองขากลายเป็นร้อยขาก็ได้ใช่ไหมอยากไม่มีปีกก็มีปีกบินก็ได้เอาทีเอาทีเอาคิดไปคิดไปเนี่ยงามๆทั้งนั้น <c ười> คิดให้มากๆ ปูงแต่งเยอะๆจินตนาการมากๆไอ้ที่ทําไว้แล้วจะว่ายังไงไอ้ที่คิดไว้แล้วปูงแต่งไว้แล้วชอบใจไว้แล้วตัณหาผูกพันไว้แล้วจะทำํำยังไงเอา้าล้างไมาได้ไหมล้างไม่ได้แล้วมันกรรมนั้นสมฤทธิผลไปแล้วเป็นกรรมมาปัจจะเป็นปะกตูปนิสสยปัจจัยเป็นปัจจัยที่เป็นพี่อาศัยที่มีกําลังเรียบร้อยไปแล้วรอการให้ผลต่อไป เพาะเชื้อไว้แล้วเหลืองคุณเนี่ยคุณเพาะเชื่อเองอะทําไงอะต้นไม้ต้นนี้สวยมาก <c oughs> ลองเที่ยวไปดูที่ต้นไม้ต้นนั้นอะมีมแมลงอะไรเกิดได้บ้าง <c oughs> น้ํำทะเลสวยว่างั้นเนี่ยสระน้ํานี่สวยมากลองไปดูที่ในน้ําน่ะมีสัตว์อยู่บ้างไหมว่างั้นเถอะมีที่ไหนบ้างเนี่ยร้องกันให้เซงแซ่อยู่เนี่ย <c oughs> ไม่สะเทือนใจกันบ้างเลยเลย หรือว่าเพลาะดีบอกเอาให้บอกให้เอาบูชาพระเจ้ า, าบูชาพระเจ้าก็ยังสงสัยบูชาทําไมไม่ใช่ของเราไมไอ้ที่ไปชอบใจนะไม่เคยไม่ใช่ของเราเนี่ยชอบใจกันจังเลยใช่ไหมไม่ละอายใจบ้างหรือไม่ใช่ของเราอ่ะ <c oughs> แต่พอจะ ย, ยกบูชาพระเจ้าเนี่ยแมสงสัยมันไม่ใช่ของเรามันจะเป็นบาปสักกมังอะไรก็ไม่รู้คิดเยอะจัง มันเป็นปัญญาหรือเป็นวิจิตจฉาวิจิตจฉาเป็นโมหะหรือเป็นหรือเป็นปัญญาเป็นโมหะก็เรียกโมโมหจิตมีสองคำด้เนะโมโมหจิตโมหะโมหจิตเป็นหลงยกกำลังสองหลงยกกำลังสองหลงมันเป็นอติสยะนะสา์เนี่ยมันแปลว่าหลงอย่างยิ่งหลงอย่างเหลือเกินหลงอย่างมากต้องใช้คำนั้นนะ หลงจนไม่น่าให้อภัยพออธิบายขนาดนี้ยังไม่ยอมรับไม่ได้ทำยังไงนี่เห็นผิดอา้าคำว่านัตถิมาตามารดาไม่มีมายแปลว่าอะไรมัติมานัตถิมาตานัตถิบิดาเนี่ยมารดาไม่มีบิดาไม่มีนี่คืออะไรเคยเห็นแบบนี้ไหม มารดาไม่มีแปลว่าเขาเอาคุณหรือเอาคําว่าไม่มีสัตว์บุคคลความเป็นพ่อเป็นแม่บยยัญญัติางไรเขาเขาอะไรยังไงคําคํำคําเนี้ที่กินคนมารดาไม่มีคนก็คือว่ากระทําดีทําชั่วต่อมารดาไม่มีผลหรอกไม่ได้รับผลดีผลชั่วใดเลยกับการปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีกับพ่อกับแม่เนี่ยเห็นแบบเนี้ย การเห็นอย่างเงี้ยเห็นที่ไม่ตรงสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอุปปาติกะไม่มีแปลว่าอะไรคือเราก็เห็นว่าสัตว์เนี่ยถ้าเกิดมาในท้องในไรนะเราเชื่อนะแต่ประเภทที่ตายปุ๊บโตทันทีเนี่ยเราไม่เชื่อเพราะเราไม่เคยเห็นพวกอุปปาติกะเนี่ย เช่นเปรตเอ้ยสัตว์นรกเลยเนี่ยอสุรกายเอ้ยเทวดาเอ้ยพรหมเอ้ยเนี่ยกลุ่มพวกนี้ไม่ใช่ค่อยๆโตนี่ใช่ไหมเราก็เห็นแต่เฮ้ยดามเหล่าเยีศาสตร์แล้วไม่ได้มันต้องค่อยๆเจริญพันธุ์มาที่ปุ๊บโตขึ้นมาอย่างเท้าอย่างท้าสากาเนี่ยตอนไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าในสากาปัญหาสูตรเนี่ยพอฟังธรรมเสร็จปุ๊บตอนนั้นได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันหมดอายุพอดีเลยพอหมดอายุเสร็จปุ๊บก็ตายเกิดใหม่ ก็เป็นเท้าสกะอย่างเดิมคนมองไม่เห็นเลยเป็นภาพเดียวอยู่อางนี้นะด้วยการสันติสืบต่อที่เร็วมากอย่างพวกเราเนี่ยเนี่ยรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเซลในร่างกายเนี่ยแตกดับตลอดเวลาแล้วก็มีเซล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ตลอดเวลาเลยความคิดก็แตกดับตลอดเวลามีความคิดใหม่ซ้อนอยู่ตลอดเวลาเรายังไม่เห็นเลยเนี่ยคนที่ตาไม่ดีทั้งหลายไม่มียานปัญญาเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคนเดิมอยู่นั่นเลยใช่ไหม แต่ทีนี้มันจะมีสองส่วนอย่างเท้าสกาเนี่ยดูเป็นเหมือนคนเดินแต่พบเปลี่ยนเริ่มนับหนึ่งใหม่คือท่านผูกใจว่าตายแล้วท่านขอเป็นเท้าสการตรงนี้ใหม่นี่บรรดาเทวดาทั้งหลายที่เป็นบริษัทบริวารทั้งหลายไม่รู้เลยว่าท่านผันนี้ตายแล้วเกิดใหม่มีรู้อยู่สองคนคือพระเจ้ากับท้าสกะ แ, แล้วอีกอย่างตอนนี้รู้เพิ่มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่อาศัยฟังพระเจ้าเราเลยรู้เพร่มถ้าั้นก็ยังมึนอยู่นั่นแหละอันนี้ไม่เปลี่ยนท่านก็เป็นท้าสการอย่างเดิมก็เป็นท้าสการหนุ่มเปลี่ยนที่เพราะอายุอะเริ่มนับใหม่อไหมอ๋อท่านดีกว่าเดิมดีเพราะท่านเป็นพระโสดาบันท่านไม่เป็นบุตุชนเหมือนเก่า ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วตายปุ๊บท่านก็ท่านก็เป็นพระโสดาบันตลอดไปท่านจะกลับไม่กลับกลายเป็นบุรุชนอีกแล้วเพราะคําว่าโลกุตรลธรรมไม่มีเสื่อมผิดกับโลกียะที่พวกเราได้กันเนี่ยเมื่อวานยังได้ปัญญาอยู่เลยมวาวันนี้ปัญญาหายไปสิเมื่อวานยังได้ศรัทธายอยู่เลยเดี๋ยวหายไปอีกล่างที่ไม่ถึงวันด้วยแหม่มานั่งลังเลแม้วันนี้คิดไม่เคยออกเลยวันนี้อะไรก็ไม่รู้ยังมึนงงอยู่แล้วงนั้นนะ มันยังมีอคติอยู่เลยเมื่อวานนี้เอวันนี้อคติหายเดี๋ยวอีกสองนาทีผ่านมาอาคติเกิดเนี่ยลักษณะเงี้ยมันเสื่อมโลกี้ะเนี่ยมันเป็นธรรมที่ไม่แน่นอนแบบนี้องนั้นเด้อแต่ถ้ามันเป็นอันนี้จังฝ่ายดีนะ่ะเช่นจากปัญญามันไม่ค่อยแข็งแรงมันเริ่มแข็งแรงขึ้นศรัทธาไม่ค่อยแข็งแรงมันเริ่มแข็งแรงมันเปลี่ยนตัวมันอื่นแต่พัฒนาขึ้นอย่างนี้ดีไหมเนีให้มันอนนี้จังขาขึ้นนะดี ถ้าบาปให้เป็นอนิจจังขาลงถ้าบุญให้เป็นอนิจจังขาขึ้นถ้ากุศลให้เป็นอนิจจังขาขึ้นถ้าอกุศลให้เป็นอนิจจังขาลงถ้าอย่างนี้ดีแต่โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาของชีวิตมันกลับกันซะนี่อกุศลเป็นอนิจจังขาขึ้นแต่กุศลเป็นอนิจจังขาลงใช่ไหมเป็นอย่างนั้นนี่แล้วถ้าพวกเรากระแสของรูปขันเราเป็นอนิจจังขาขึ้นกับขาลงเราชอบยังไง ถ้ารูปกระแข็งอันนี้จังขาลงแปลว่ามันเริ่มผมก็เริ่มงอกแล้วก็งอกมากขึ้นหนังก็เริ่มเหี่ยวย่นมากขึ้นสภาพร่างกายก็เริ่มซุดสวมขึ้นเป็นไปไห น, น, นจังขาลงใช่ไหมนี่ดีไหมจากสมองที่ไม่ค่อยปอดก็ค่อยๆป อ, อลงปอดลงเริ่มไม่ค่อยรู้เรื่องแนละ้วฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก่อนโอ้โหคล่องแคล่วคิดอะไรก็ออกมาเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยโดนลูกด่าเรื่อยๆ เขาบอกว่าพอยิ่งอายุมากขึ้นอำนาจยิ่งหมดหมดเดินเร็วๆไหเดี๋ยวล้มเห็นไหม อ, อำนาจเริ่มหมด <c oughs> เหมือนกอนก็แต่งงานกันใหม่ๆเ็าว่าไงเนี่ยเวลาแต่งงานกันใหม่ๆสามีกับภรรยา ก, ก็บอกว่าวันแรกๆแต่งงานเดินเวลาเดินไปตามท้ายซอยตามซอยตนะ่างสุนัขมาเขาน้องเดินเร็วๆ น้องๆเดินออกหน้าพี่จะคอยปกป้องไงจะคอยคอยกันหมาให้กันสุ น, นัขไงเขาแต่งกันงานแต่งกันได้สักเริ่มสักสี่ห้าเดือนผ่านไปสี่ห้าเดือนผ่านไปปุ๊บแต่เนี้ย mm. ไม่เวลาเดินไปด้วยกันอนสุ น, นัขเดินนั้นมาเห่าเดินเร็วๆเดี๋ยวหมาพอยกัดฉันเขาให้เลย เขาบอกพอตอนรักกันใหม่ๆก็ใช้ล่มมันเดียวกันนะล่มยิ่งเล็กยิ่งดีเขาว่าองั้นนะจริงว่าไม่รู้จิงไม่นินใช้ล่มยิ่งเล็กยิ่งดีพอแต่งกันไปได้สักพักหนึ่งล่มใหญ่ขึ้นแล้วเข้าคนละคนละอันใหม่ๆไปกินอะไรจะกินอย่างเดียวกันนะถามน้องกินอะไรอกก๋วยเตี๋ยวพี่ก็จะกินก๋วยเตี๋ยวี่ พถไปได้มีกี่วันถ้าถ้าของกินนี่ไม่ไไม่กี่วันเ้าจะกินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวฉันจะกินลาดนะคนละเรื่องเลยเป็นอย่างนี้นี่คือความจริงใช่ไหมเป็นอะนรนิจังไหมกลัวจะให้เขามารับได้ในโทรศัพท์ไม่รู้ต้องหมดเงินไม่รู้อะไรคุยแล้วคูดอีก มันยากบ้างลำบากบ้างนั่งรถอะไรเงี้ยนะสาพระต้องาราวนาไม่รู้เท่าไหร่จริงไม่จริง <c oughs> <c oughs> แต่แต่ก่อนนี่โอ้โหมีพระรูปหนึ่งท่านเล่าอีฟังว่าตอนท่านเป็นฆราวาสเนี่ยท่านขับรถมาหาคู่รักเนี่ยนะตอนเป็นฆราวาสท่านบอกว่จากลบบุรีเชียงใหม่เนี่ยขับทุกอาทิต ขับขึ้นมาเขาบอกถ้าคำนวณดูแล้วเนี่ยเหมือนกับไปกับดวงจันทร์เนี่ยไม่ต่ำกว่าห้ารอบนี่ความรักเพราะอยู่ด้วยกันเนั่นงรถไปด้วยกันเนแทบไม่อยากนั่งรถกันเดียวกันเลยก็ว่าามทำไมเขาบอกเธอภาคตลอดเลยอะรักเขาขับช้าไปบ้างเลี้วไปบ้างเรี้ยวอยู่อย่างไงแล้วก็ว่ากัน ก็บอกมาอยากจะกระโดดลงรถแ้วขับเองเออเป็นอย่างง้เนี่ยอนี้เกี่ยวข้องกับอุอปปาติกาได้ไง <c oughs> เกี่ยวไหมเกี่ยวกับสัตว์ที่ผุดโตขึ้นไหมในเรื่องนีที่พูดเรื่องขับรถขับลาเรื่องสามีอ๋ออุปปาติกาที่มีจริงๆนะ สัตที่โตขึ้นทันทีแต่เราไม่เห็นใช่ ไ, ไมเนี่ยไม่เห็นสมณะและพรามทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งชัดด้วยปัญญายิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งในโลกนี้ไม่เชื่อว่ามีไม่เชื่อว่าคนระดับสัมมาสัมพุทธานในอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้แจ้งโลกเลยโลกนี้โลกหน้า และสอนให้คนอื่นให้รู้แจ้งได้ตามเนี่ยไม่เชื่อว่าจะมีบุคคลเหล่า น, นี้จริงงั้นบุคคลนี้ไม่มีตถาคตโพธิสัต tha ไม่มีปัญญาในการที่จะไปเห็นความจริงว่ามีสัตว์ประเภทนี้อยู่อย่างพวกเราอะ่ะยังแข็งใจไหมพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัดสุ้ชอบได้ตนเองแล้วสามรู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าได้อย่างแจ่มแจ้งสามารถจะบอกข้อมูลความรู้และวิชานี้ให้คนอื่นรู้ทะลุทะลวงตามท่านใด้ดย เชื่อไหมว่ามีบางคลประเภทนี้จริงฮะเนี่ยดูกนพรามทั้งหลายความประพฤติ ท, ที่ไม่เรียบร้อยความประพฤติทางใจสามอย่างเป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าดูก่อนพรามและข้าบดีทั้งหลายสัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุกขติวิบัติในโรกเบื้องหน้าจะ ต, ตายเพราะกายแตกเพราะเหตุแห่งความไม่ความ ความประพฤติไม่เรียบร้อยก็คือความประพฤติไม่เป็นธรรมอย่างนี้แหลนี่เขาเรียกอกุศลเขาใจอย่างอันนี้ไม่ใช่รากนั่นนะเราจะเห็นว่าข่าสัตริย์รักษาประพฤติผิดในการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพื่อเจอือแล้วก็โลภแล้วก็โกรธแล้วก็เห็นผิดเป็นอกุศลกรรมบทเนี่ยเนี่ เ, เรียนรู้ชัดอกุศลก่อนต่อไปก็ไปรู้ชัดอะไรรากเง่าของอกุศลว่าอากุศลเหล่านี้มันเกิดยังไง อะไรเป็นรากอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นมูลของเขาสำคัญไหมเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีรากมายัางไงมีมูลมายัางไงมีอาหารมายัางไงมีตัวส่งเสริมทำให้อากุตุรกรรมนี่มันจเจริญยังไงก็รากนี่แหละความโลภโหพูดยาวเลยพอ บ, บอกโลภลองช่วยอธิบายความโลภให้ฟังหน่อยทีโลภะมีลักษณะเป็นยังไงฮะ ความโลภปีรักษาเป็นยังไงอภพิชาก็ได้โลภะก็ได้ใช่ไหมเนี่ยโลภะอกุศลโลภะเนี่ยสภาพของอภิิชาหรือโลภะอกุศลในด้านของโลภะ โลภะโทสะโมหะโลภะมีลักษณะเป็นยังไงการม่ฉันทะการม่ฉันทะนี่โลภะกับฉันทะนี่มันต่างกันยังไง ความโลภมีกี่อย่างความโลภมีกี่อย่างอารมณนะคือความโลภเนี่ยมีการยึดอารมณ์ไว้เป็นลักษณะเหมือนลิงเหมือนลิงที่ติดตังอะ่ะเวลาความโลภมันเกิดขึ้นมันจะมีความยึดติดแล้วก็มีความต้องการในอารมณ์อย่างนั้นแหละ แล้วยึดติดในอารม์อย่างน่าไขา้หน้าปราถนาหน้าชอบใจเนี่ยในอารมณ์นั้นแล้วก็ฝังอยู่ในความรู้สึกคิดนึกไม่ลืมเลือนในตัวความโลภจะเป็นอย่างนี้ทีนี้แล้วก็มีความโลภมีความต้องการเนี่ยแล้วก็ยึดติดในอารมณเป็นกิจ ด, ด้วยอุปมาเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อที่โยนลงไปในกระทะที่ร้อนเนี่ยมันก็แกะออกอยากแม้ชั้นใดสภาพของความโลภก็เป็นอย่างนั้นแหละ เวาเจออารมณ์ที่จดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่น่าใคร่หน้าปรารถนาหน้าชอบใจปุ๊บก็จะติดแน่นเลยแกะไม่แกะยากเลยนี้ <c oughs> อาการปรากฏเป็นยังไงไม่ยอมสละปล่อยไม่ยอมปล่อยอารมณ์นั้นเป็นอาการปรากฏของความโลภจะเป็นอย่างนี้ยึดติดในอารมณ์ใดยากที่จะถ่ายถอนกับอารมณ์นั้นก็กำหนัดยินดีออกไปไม่ได้ยากที่จะคลายความยึดติดลักษณะความโลภจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นราก เป็นรากของอกุศลนั้นจะแปลกใจว่าเร า, เ, ราเกิดโลคเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจึงมีความต้องการที่ไปฆ่าบางไปรักบางไปพูดผิดในกรรมเป็นบาพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบพูดเยเพราะมันออกจากความต้องการออกจากความยึดติดตรงนั้นไม่ได้อะไรเป็นเหตุใกล้ของความโลภช่วยตอบหน่อยสิอะไรเป็นเหตุใกล้ของความโลภคิดอย่างไรความโลภยังเกิด การคิดหรือการใส่ใจว่ามันดีมันดีมันมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีนี่แหละไอ้ความคิดอย่างนี้แหละมีความกำหนัดคือการคิดแล้วชอบใจอย่างยกตัวอย่างไปเห็นสิ่งของใดๆไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสผลตผิตภัอะไรก็แล้วแต่นี่นะคือเป็นมนุษย์การใส่ใจว่ามันดีมันดีมันให้ความเพลิดเพลินมันให้รสอร่อยมันให ให้กลิ่นที่หอมหอมเป็นต้นเนี่ยเอางี้ว่าเหมือนนางเหมือนเหมือนกุศลาชากุศลาชาเนี่ยกับนางประเพราดีกุศลาชาเนี่ยหลงรักนางประเพราดีมากหลงรักแบบคือกุศลาชาท่านมีรูปร่างที่น่าเกียดต่อมานางประเพราดีรู้ความจริงว่าพระราชารูปเนี้ย ท่านเป็นลูปล่างหน้าเกียดมากเขาก็หนีพอรู้ว่าภรรยาตัวเองหนีอ่ะหนีทิ้งทุกอย่างเลยไม่เอาเลยจิตผูกพันว่าเราห่างคนคนนี้ไม่ได้เราจากคนคนนี้ไม่ได้เห็นไหมคนค น, นี้อ่ะออกไปเกลีกยดเสชีวิตเราไม่ได้ถ้าไม่มีชีวิตของคนคนนี้ชีวิตเราจะอยู่ยังไงนมันปุ้งแต่งอย่างเงี้ยไอการใส่ใจมาในสการที่ผิดผิดการคิดที่ผิดผิดอย่างเงี้ยบ่อยๆว่าดีมากเลิศมากประเสริฐมาก เราจะอยู่โดยปราศจากคนคนนี้ไม่ได้เคยคิดไหมยองลําเกียกถ้าคนคนนี้ไม่อยู่ชีวิตเราก็อยู่ไม่ได้เราจะว้าเหวยมากเราจะหงอยเหงามากเราจะเศร้าซ้อยมากเราไม่มีที่พึ่งนอกจากคนคนนี้คนคนนี้เป็นคติของเราเป็นที่นําทางชีวิตของเราเป็นจุดหมายปลายทางของเราจะนําพาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายที่ดีด เ, คเคยคิดไงี้ไหมเนี่ยพอได้มาพวกเขากินแต่เหล้ามอยยาเราคิดไงตอนนั้นน่ะเครียดกินไหมเครียดไม่เครียด เคลีใช่ไหม <c oughs> ว้าวีไปตอนนั้นน่ะว้าวีมันไปไม่เป็นเลยโอ้โหที่คิดไว้มันไม่เป็นอย่างคิดที่หวังไว้ไม่ได้เป็นอย่างหวังใช่ไหมมันไม่ดีอย่างที่เป็นจริงไม่จริงแล้โอ้ยตอนนั้นก็ไม่อยากอยู่แล้วแต่ต่อมาพอเขาเลิกแล้วเขากลับมาดีนิดหน่อยโดนกอบอีกแล้ว <c oughs> โอยได้ที่เฟืองอีกแล้วจริงไม่จริง เออเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะต่อมาเขาเกิดขับรถมาเขาเป็นล้มเหมือนเป็นลมอะ่ะเฮ้ยว่าเวขึ้นมาเอยแต่เขาตายขึ้นมาเราจะอยู่ยังไงอีกใช่ไหม <c oughs> กลัวเขาตายโอ้ขนาดนั้นนะตัณหาเนี่ยขาดเขาไม่ได้ใช่ไหมเชื่อไหมคนที่มีตัณหาแรงๆแบบนี้ถ้าอีกฝ่ายใด้ไปหนึ่งตายเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันหาใหม่ ขนาดนั้นเลยมันขาดไม่ได้ตัณหามันมันมันหลอกมันยอมรับในการอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินสิบวันไม่เกินเดือนนึงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ไม่เกินสองวันสามวันจากนารีเป็นอื่นนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาว้าวเวเขาต้องมันขาดสิงนี้ไม่ได้อันนี้คือมันจุดเพราะว่าเขามานาซิการตลอดไงว่าเนี่ยก็คือตัาหาเนี่ยมันหลอกมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวมันไม่ได้ตัวนี้แล้วมันเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สีนี้ก็เปลี่ยนสีใหม่ไม่ได้กลิ่นนี้แล้วก็เปลี่ยนกลิ่นใหม่ไม่ได้เสียงนี้แล้วก็เปลี่ยนเสียงใหม่ไม่ได้รถนี้แล้วก็เปลี่ยนรถใหม่ไม่ได้สัมผัสนี้ก็เปลี่ยนสัมผัสใหม่แต่อยู่ด้วยการต้องมีสัมผัสต้องมีเสียงสีเสียงกลิ่นรถสัมผัสนีะ มาตอบมาบลมเบอ ม, ม, มาตอบสนองเป็นอย่างนี้ตั้นหาเป็นอย่างนี้ขาดไม่ได้ตายแล้วรีบหาใหม่ว้าวีเหมือนพระเจ้าอาสการต้องเปลี่ยนใหม่เข้าใจยังไม่รากเงาของอกุศลเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องไปทำบาปกันต่อไปไปทำบาปต่อไปมันมีรากตัวนี้อยู่รากตัวนี้ยังไม่ตัดให้ขาด พระเจ้าบอกว่าพิสูุผู้หวังความเจริญในธรรมเพิ่งตัดรากอากุศลที่เสียได้ปัญญาในอริยมรรตัดมันเสียพวกนั้นหรว่าไงนินโหนยหาใช่ไหมเดีจะต้องโทรหาแล้วเขารับสักหน่อยก็ดีใจเป็นไหมถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งเขาคงรับพวกเราเคคิดเงี้ยไหม มันปลอบ ม, อ ม, ลมันปลอบใจเรามันปลอบใจเราขนาดนั้นเลยนะว่า <c> ว <oughs> ังไงนาภาษาพระาพาเขาเรียกว่าสังโยชนิยธรรมเมสุอัศธา ท, ทัศนะปทฐานโน มีความเห็นในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์คือเชือกผูกรัดไว้เนี่นะเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นเหตุให้เกิดก็คือว่ามันคิดมันจะคิดหาที่ผูกเข้าไว้ตลอดหาที่ยึดเหนือนวงไว้ตลอดหาที่ยึดถือไว้ตลอดแล้วสาคัญว่านี้คือที่พึ่งที่จะทําให้ตนเองเบากายเบาใจทําให้เองให้ตนเองนี่สบายใจฉะนั้นขาดไม่ได้ ขาดไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรเป็นที่ยึดที่จะทําให้ใจก็ขอเอาเกมมาเล่นก่อนก็ยังได้เล่นเกมงงแงมันก็ยังมีสุขใจยังได้ที่พึ่งอยู่ใช่ไหมเห็นได้เกมไหน่อยได้เกมมาเล่นเล่นเล่นเขาก็เอาลายนั่นแหละเล่นลายก็แป๊บส่งลายมีโยมแก่ๆคนหนึ่งนะไปหาเครียดแก่ส่งลายเนี่ยตลอดติดลายเนี่ยนะจนถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สอง ก็ส่งส่งส่งโอ๊ยมีความสุขกับการส่งแต่ก่อนลูกก็จะต้องการอยากให้แม่แก่เท่าแล้วจะได้มีอะไรเล่นเนี่ยสมองจะไม่ฟอว่างั้นเดี๋ยวนี้ติดลาย <c oughs> ติดลายแล้วลูกชายก็ไม่สอนไม่แนะนํานี่แม่ติดลายเอาใครติดลายบ้างนี้ทีพักติดไหมจะต้องเปิดดูทุกวันติดไหม ดูเพื่อให้เกิดกุศลจริงๆหรือดูเพื่อให้เกิดโลภะดูเพื่อหล่อเลี้ยงอาหารของโลภะหรือดูเพื่อเพื่อให้กุศลเกิดจริงๆ <c oughs> ติดหเพาเล่นไม่เบนอ๋อไม่ได้ใชดีก็เอาโทราศัพท์มาเปิดดูติดเนี่ยโลภะ ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเมื่อเป็นเช่นนี้ที่ก็ทำให้เกิดความโลภขึ้นเกิดความโลภขึ้นในอัตสาลีนีอดตกถ า, าท่านแสดงเขาไว้อย่างนี้ว่าไอความติดข้องเนี่ยที่บอกว่าเหมือนตังมือนลิงที่ติดตังยางเหนียวเนี่ยไอตังที่เขาไปทาไว้ตามตอไม้เวลาเขาใช้ดักลิงเนสมัยก่อน ดักนกบ้างดักลิงบ้างตังเนี่ยเขาผสมจากยางไม้เวลาเนี่เขาไปทาไว้ที่ต่อเขารู้ว่าลิงมันชอบมาน น, มานั่งดินพอมันนั่งปั๊บก้นมันติดเลยมันก็เอ า, เอาขาหนากับไปเอาขาไปจับติดอีกปากไปกัดติดอีกสภาพของโลผ้าเป็นแบบนี้เมื่อเราไปติดข้องมันออกไม่ได้แล้วก็ตายอยู่กับมันนึง ลูกิ่เหมือนชิ้นเนื้อที่โยนไปในกระเบื้องที่ร้อนๆกระทะที่ร้อนๆโยนปุ๊บก็ไปติดแกะไม่ออกความโรบเนี่ยไม่ยอมสลาไปเป็นอาการปรากฏเหมือนกับการติดสีที่อาบด้วยน้ํามันหรือเหมือนกับยาหยอดตาก็หมายว่าสีที่มันสีน้ํามันหรือยาหยอดตาในสมัยก่อนนั่นน่ะเมื่อเปื้อนเสื้อผ้าแล้วเนี่ยก็ยากที่จะชําระออกได้ก็จะซึมซับเข้าไปในเนื้อผ้าติดอยู่เช่นนั้นน่ะ จะซักกี่ครั้งมันก็ไม่ออกไม่สามารถกระจัดสภาพของความโลภก็เช่นเดียวกันแล้วติดอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็ยากที่จะคลายอารมณ์นะจะเป็นอาการอย่างนั้นแล้วมันมีรากของมันแล้วต่อไปก็กระทุ้งให้ทําบาปเป็นปัจจัยเป็นอาหารของบาปไม่ได้ก็ต้องฆ่าไม่ได้ก็ต้องรักไม่ได้ก็ต้องประพฤติผิดในการหาจังหวะพูดเท็จก็เอาส่อเสียดก็เอาคำหยาบก็เอาเพ้อเจ้อก็เอาโลภนะแล้วโกรธก็เอาแล้วเข็นผิด มันก ร, กระทุ่งไปได้ครบ1ิบเลยเนี่ยคือรากของอากศุศลหนึ่งรากก็คือโลภะตัณหาความอยากได้ราคะความกำหนัดยินดีกามะความไข่ความปรารถนานันทิความเพลิดเพลินหลงไหลอภิชาความเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นชะเนติก็ได้ความก่อสั่งสมกิเลสโปนโนภวิการในธรรมจักรกับบวนท่าสุดแปลว่าการก่อเกิดพบใหม่อิจฉา ความอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังผู้เดียวเนี่ยอาสาก็คือความหวังอยากได้และการอยากเป็นเป็นต้นเมื่อสักครู่ถามว่าความโลภมีกี่อย่างมีสองอย่างจํำได้ไหมความโลภมีกี่อย่างมีสองธรรมิยะโลภะกับธรรมิยะโลภะความโลภที่ประกอบไปได้วยธรรมะไหมความยินดีจิตใจเรามาน่าใข้โดยชอบรมเช่นเรายินดีในสมบัติของเราเองยินดีในบุตรภรรยาสามีของเราเองเนี่ย อย่างเงี้ยมันชอบทำหมดเลยเป็นความโลภไม่เป็นเกิความโลภความต้องการที่มันอยู่ในกรอบในกรอบของศิลธรรมในกรอบของวัฒนธรรมประเพณีทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอย่างเงี้ยความโลภอันนี้บ้านของเราแล้วก็โลภบลล้านเราลถเราทราบสมบัติเราบุตรภรรยาสามีเราเป็นต้นเหล่านี้บริวารของเราเนี่ยมีความโลภอันนี้เขาเรียกเป็นธรรมมิยโลภะมีไหมความโลภแบบเนี้ยส่วนอาธรรมยะโลภะนี่ความโลภที่ ยินดีติดใจอยากได้ในสมบัติหรือคุณความดีของคนอื่นที่ไม่ชอบทาเนี่ยที่ไม่ชอบทาเลยเนี่ยมันเราไม่ได้มีสิทธิ์ตรงนั้นหรอกแต่มันร่วงระเมิดทั้งด้านโลกนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะของบุคคลที่มากไปด้วยราคะเจริตเนี่ยจะมีลักษณะประพฤติแปดประการนะหนึ่งเป็นคนมีมายาเจ้าเล่ห์ คนที่มีความโลภจัดจะเป็นคนมีมายา ม, มากสองเป็นคนมักโอ้อวดเป็นลักษณะของโคชอบอวดนแล้วเป็นคนที่ถือตัวจัดเพราะความโลภ ก, กับมานะมาด้วยกันแล้วก็เป็นคนที่มีความปรารถนาลามกปรารถนาทางที่ไม่ดีเป็นคนมกักมากมหิจตาเนี่ยคาว่ามักมา ก, มากรู้ไหมแปลว่าอะไร มักใหญ่ไปสูงด้วยนะแล้วก็อสันตุถีก็คือเป็นคนไม่สันโดษเป็นคนมีแง่งอนเจ้าแง่แสนงอนคนที่มีโลภะจะจะเปินคนเจ้าแง่แสนงอนยอมเป็นคนแสนงอนไหมเจ้าแง่แสนงอนไหมไห ม, มีไม่มีเ <c oughs> ข้าใจคำว่าเจ้าแง่แสนงอนไหมแล้วก็เป็นคนขี้งอนขี้งอนคือเข้าไปคนอื่นเอาใจ ต่างกันไอตัวนั้นมันมาจากลิงคังลิงคังเนี่เป็นคนงีแง่งอนมีแง่งอนเยอะแง่งอนนี่สับสับมาจากลิงคังลิงค่าเนี่ยลิงคังตัวนี้ยก็เป็นมีคือคําว่าแง่งอนเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นเอาใจแนละ้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วแต่ถ้าหากจาปัญยังจาปัญยังจาปัญยังสั์นี้แปลว่าคนขี้งอนถ้าขี้งอนเนี่ย ไม่หายต้องให้คนอื่นมางอ้อโอ้องต้องอธิบายด้วยมึง ม, มคนถามนะี่เยต้องให้คนมางอ้อก่อนถึงจะหายถ้าไม่งอ้อไม่หายอาสันตุธิตาเออเป็นเป็นคนไม่สันโดษเพราะคนโลภจัดไงคนมีความโลภจะมากอยากได้เยอะ ไม่สันโดดไม่ยินดีเฉพาะของตอนเองต่างกันเนี่ยไม่หิชตาแปบลบว่ามากมากอสันตุถีก็คือว่าไม่สันโดด ม, ม, มักรวมรวมกว่ามักใหญ่ไฟสูงด้วยอยากเป็นใหญ่หวังตัวเองว่าตเองจะยิ่งใหญ่ให้ได้อะไรเงี้ยได้ส่วนป้าปิดชตาเนี่ยความปลาธนาลามก อภิธ า, านาลามกคือยังไงต้องอธิบายนะยังเป็นผ้าเนี่ยเห็นเห็นโยมลําเกียกปุ๊บก็นึกมีความรู้สึกว่าเราจะเราจะเอาทรัพย์โยมลําเกียกมาเป็นของเราได้ยังเริ่มคิดคิดบางแผนนี่ก็เรื่อปรารถนาลามกนะเอ๊ะทํำยังไงโยมลําเกียกศรัทธาเอาละเอ๊ะเราต้องข่มผ้าเรียบร้อยยืนนิ่งๆไปงนี่ปรารถนาลามกเนี่ย <c oughs> ยืนนิ่งๆถ้าเราทําอาการอย่างเนี้ยเราจะต้องได้เขาจะต้องศรัทธาเรา <c oughs> เคยเป็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะจริงๆต้องอธิบายรายละเอยียดบางที่พูดแต่ภาษามันไม่เคยเข้าใจต้องตียกตัวอย่างให้เห็นด้วยหรือว่าถ้าเรายืนอย่างเนี้ยเราจะได้อาหารถ้ายืนอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เขาก็จะหรือหนุ่มจีบสาวสาวจีบหญิงเนี่ยไอ้จีบจีบหนุ่มเนี่ย ก็เป็นลักษณะปารนาลามกอย่างยกตัวอย่างนี้เราจะเราจะได้คนนี้ได้ยังไงก็ปาราตนาไม่ดีกับเขาปาราตนาที่จะได้เขามาเชยชมมาชื่นเจเป็นคนคิดวางแผนใช่ก็ต้องการจะ เนีมาอยู่ร่วมกันเพื่อจะอะไรบางแผนชีวิตก็ควรคนละอย่างแต่นี่มันต้องการมันต้องการแค่เฉพาะหน้า<ม>ปาถนารามกปาถนาไม่ดีเหมือนพระปราถนาอยากจะให้เขาศรัทธาโดยไม่ได้มีคุณธรรมความดีใดๆผู้หญิงบางคนก็ไม่ได้มีคุณสมบัติใดๆที่จะไปเป็นภรรยาของเขาที่ดีเลยหรอกแต่มีปาถนารามกอยากจะได้ ผู้ชายบางคนก็อยากจะได้ผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ได้มีความปรารถนาดีอะไรกับเขาหรอกแต่ก็มีความปรารถนาลามกที่อยากจะได้ ก, ก็หาวางแผนออกมา <c oughs> นี่เ็าเรียกว่าปาปิดชาตามีความปรารถนาลามกปรารถนาในทางเลวทรามที่ไม่ดีตัวเองไม่ได้มีคุณสมบัติตวาโอ้โหนเนี่ยบางคนเนี่ยกัวจะได้ผู้หญิงคนนี้นะผมต้องโอ้โหใช้เล่ละเทเยอะอ<ล>ะไรเงี้ยนะ นี่เป็นด้วเคยเป็นไหมของเราดีจริง โดยมากมันจะไม่ค่อยดีจริงเราโฆษณาปารนาลามกมันีโฆษณาเกินจริง <c oughs> ถ้ามันการเกินความจริงเมื่อไหร่เป็นปาร์นาลามก <c oughs> ก็เราเรามีเจตนาซ่อนเล้นหรือเปล่าซ่อนเล้นก็คือมีความปรารถนาในทางเลวซามในทางที่มันไม่ดีจริงใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มันไม่ได้บอกคุณสมบัติจริงจริงอย่างนั้นคุณสมบัติบางครั้งเนี่ยมันแค้แค่ห้สิบแล้วโฆษณาจะกแปดสิบก็ลามกแล้วไอ้ที่ส่วนเกินนั่นเวลามกไปแล้วลามกลามกตอนนั้นแปลว่าทําไม่ดีทําไม่ถูกแปลว่ามันชั่วเยอะไหม นี่คนราคา้าจริตจะเป็นอย่างนี้นะมันจะมีคุณสมบัติลักษณะของบุคคลที่มากกว่าในราคา้าจริตมันจะเป็นอย่างนี้นั่นจิตใจจะเป็นอย่างนี้นั้นแต่คนเห็นคนบางคนเป็นราคา้าจริตปุ๊บเนี่ยเขาจะมองออกอ น, นันี่คนคนนี้มีลักษณะแบบนี้แบบนี้มันดีตรงนี้เศึกษาว่าทําดีตรงเนี้เราจะมองคนออกแก้ได้ไหมตรงเนี้ยแก้ได้แต่แต่แยกแยากนิดนึงต้องใช้แรงกับเออต้องใช้กําลังเยอะ <c oughs> โอเป็นประโยชน์เนืน้อทำให้เรารู้คนใช่ไหมโดยเฉพาะรู้ใครรู้ตัวเองดีแล้วเหมือนกับคำว่าสาเทยะเนี่ยโอ้อวดเนี่ยเอาคำว่าโอ้อวดนี่หมายยังไงอ่ะสาเทยะเนี่ยคำว่าโอ้อวด ปิดความชั่วอวดความดีชัดดีไหมในความชั่วตัวเองปิดไว้แต่เอาความดีออกมาอวดนี่เ้าเรียกโอ้อวดนี่เ้าเรียกสาทยะแต่ลักษณะของพระเนี่ยต้องปิดความดีบอกความชั่วคนอื่นต้องกล้าเอาความชั่วมาทีแผ่คนอื่นรู้ว่าเนี่ยผมมีปกติอย่างนี้นะคนที่ไม่ดีอยางงี้อย่างเงี้ยแต่ความดีไม่ต้องเปิดเผยบอกความไม่ดีออกมา จะได้ให้เพื่อนพ่อาจารย์ทั้งหลายช่วยกันขัขดช่วยกันเกลาช่วยกันช่วยกันถากถางเอาความไม่ดีออกให้หมดถ้าเห็นเมื่อไหร่ช่วยด้วยเนี่ยตรงเนี้ผมจะมีปกติอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเห็นผมอวดดีเมื่อไหร่จัดการเลยนะพวกกันเนี่ยพอเขาจัดการจริงจิงโกรธเข้ายิงอย่า ง, งนี้ไม่เอาสรุปแล้วก็เข้าใจกันหมดแล้วนะมายาเป็นยังไงโอ้อวดเป็นยังไงถือตัวจัดเป็นยังไง ปรารถนาลามกเป็นยังไงมีมักมากเป็นยังไงแล้วก็ไม่สันโดษเป็นคนแง่งอนเป็นยังไงเป็นคนขี้งอนเป็นยังไงนะ อัาต่อไปก็คือโทสะไงมีโลภะแล้วต่อไปก็โทสะเพราะว่าอันนี้นี่รู้เลยนะนี่เหตุของอะไร เ, เหตุของอกุศลสิบประการนี้รู้ชัดกุศล ร, รู้ชัดอกุศลนี่รู้ชัดอกุศลแล้วรู้ชัดรากรากเงาของอกุศลคือโลภะรู้ชัดไปแล้วต่อไปรู้ชัดรากเงาของอกุศลคือโทสะ คือโทษสะโทสาเนี่ยเป็นความไม่พอใจความไม่ชอบใจความหงุดหงิดใจความประทุษร้ายก็คือสภาวะธรรมที่ปัะทุษร้ายในอารมณ์เมื่อประสบอารมณ์ที่เป็นอนิจฐารลมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอารมณ์ที่ไม่ชอบใจไม่ปรารถนาสาหรับตนเองไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นสภาวะอิทธารมหรือปริกระไพอิทธารมไม่ชอบใจทั้งนั้นเลย เ, เข้าใจคาว่าสภาวะอิทธารมม เป็นยังไงสภาวะอิทธารมก็คือเสียงธรรมะเสียงว่าธรรมเนี่เป็นสภาวะอิทธารมไหมดีตามสภาวะไหมบางคราวเราฟังแล้วเราขัดเคืองเคยเกิดไหมเออเนี่ยเห็นไหมทั้งๆที่สิ่งที่ดีนี่แหละนะ่ถูกต้องตามสภาวะแต่ใจเรากลับไม่ชอบเช่นบางครั้งเนี่ยกล่าวธรรมะเนี่ยบางคนปี๊ดออกมาเลยนะ ไม่พอใจเฉยทั้งๆที่พูดถูกต้องด้วยแล้วยังตําหนิว่าพูดไม่ถูกการพูดอะไรสารพัดใหญ่ๆเลยเนี่ยนี่ยลักษณะแบบนี้โทสะมันจะมีลักษณะอาการแบบนี้ทั้งๆที่อารมณ์มันดีโดยสภาวะตามตัวของมันเองเนี่ยแต่เราไม่ชอบใช่ไหมบางครั้งเราก็ไม่ชอบพระพุทธรูปใช่ไหมเนี่ยอย่างเห็นอย่างนี้บางทีชอบใช่ไหมบางครั้งเราก็เฉยๆเผลอๆบางทีไม่ชอบส่งเลยนะเคยไหมเคยเป็นไหม อาคิดว่าเราจะกล้าโกรธพทธลุงไหมสมัญนินมาเดินตรงนั้นแล้วพุทธลุงล้มความโครมมปาปาฏิษาแตกเพราะชอบใจอยู่ไหมอ๋อจะชอบรอ บ, บใช่ไหมไอ้รอบนี้เมื่อกี้ใช่ไหมใช่เนะี่ยเขาเรียกเ้าเรียกอะไรราคาจริตใช่ไหมราคาจริต ใครเป็นโทสะจริตบ้างยกมือทีกลุ่มโทสะค่อนข้างมีกําลังหน่อยจะได้อธิบายโอ้โทสะมีกําลังก็คือสภาวะอนิจฐารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจบางทีเราก็ชื่ชอบได้บางครั้งก็ไม่ชอบเป็นตรงตามสภาว ะ, ะใครเคยใครเกลียดมแมลงสาบ เกลียดหนอนเกลียดไอตัวตัวด้วงเกลีดยดยหนูนะนเกลียดโง่เนี่ยไอ้เนี่ยเาเรียกว่าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยสภาวะอนิถารมนี่เป็นอนิสาอนิถารอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาอารมณ์ที่ไม่น่าปราถนาเพราะมันเกิดจากอกุศลแต่เราไม่ชอบใจใช่ห เราก็ไม่ชอบใจทีนี้บางครั้งเนี่ยสุนัข ก, ก็เป็นสภาวะอนิจฐารมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปลาดนานแต่บางคนเราชอบใจชอบอยากจะเล่นบางคนชอบแมวอย่างเงี้ยบางคนชอบสุนัขนบางคนชอบเลี้ยงเลี้ยงไอเลี้ยงไอตัวหนูอ่ะนะตัวหนู บางทีมันตัวอะไรเนี่ยไอตัวหน้าเกียดหน้าเกียดเนี่ยอีกกว่าหน้าใช่ไหมเนี่ยคนชอบเลี้ยงมันเราเห็นนี่เื อ, อกลัวเลยเหมือนสัตว์ประหลาดประหลาดเลยหมาบางตัวเนี่ยหน้ามันเหมือนกับมันจะร้องไห้ตลอดเวลาใช่ไหมไอหน้ามันย่นหนมมาไม่ว่นจะหัวเราะหรือร้องไห้มองไม่ออกเลยมันจะอยู่มันอย่างนั้นเล เหมือนเหมือนมันเจ็บปวดจิตระดเวลาอาการมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันทํากรรมนี้ไว้แต่เชื่อไ้มคนยังไปชอบได้อสภาวะอนิทารมเหล่านี้ยังเกิดโลภะกับมันได้บางคนที่เห็นนวเกิดโทสะเลยโอ้โหอะไรเนี่ยไอตอนที่จะมาจะไปเข้าห้องน้ำเห็นไหมมีสุนัขตัวหนึ่งโอ้โหท้องมันมันมันมันเป็นอนิทารม พวกกลุมอบายศัตร์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาวะอนนี้ถาหลมเป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ายินดีหมดเลยนะทั้งสีเสียงกลิ่นรสทั้งหลายมันเนี่ยสัมผัสแม้ทมามําอารมณ์แม้สภาพยายจิตใจมันมาจากอากุศลเป็นตัวปรุงแต่งให้ได้เป็นกรรมกรรมที่มาจากอากุศลทั้งนั้นแต่มนุษย์สามารถวิปริตเมนสิกาในการเห็นแล้วชอบใจได้ถ้าไม่ชอบใจมันก็ผิดอยู่ดีใช่ไหมแต่ควรวางใจให้เห็นว่ากรรมทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองอยังไงใช่ไหม ตรงจริงๆตรงนี้ต้องมองให้เป็นตัวกรรมสกตาสมาธิที้ชัดเนี่ยแต่เราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้มองตรงนี้กันเนี่ยนจะไม่ค่อยเข้าใจจริงๆมันต้องมองป็นตัวกรรมสกตาสมาธิก็คือให้มีความเข้าใจกรรมและผลของกรรมให้ชัดตรงนี้นะตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกรรมสกตากรรมเป็นสมบัติประจาตัวของสัตว์ทั้งหลาย กรรมทาญาตากรรมเป็นมรดกของของของหมูสัตว์กรรมโยนิตากรรมเป็นที่เกิดของหมูสัตว์ที่กำเนิดนี่นะกรรมพันธุตากรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของหมูสัตว์กรรมปฏิสารนากรรมที่ิพึงอาศัยของหมูสัตว์แล้วก็สัตตาวิชชาชิตาก็คือกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตกรรมมังสเตวิภชติญาติทางหีนาปนีตาตายะ นั้นตัวกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกสัตว์ให้เลวและปราณนีดคาว่าเลวก็คือซามเช่นว่ากรรมอกุโสกรรมก็จำแนกสัตว์ปรุงแต่งสัตว์นั้นให้ให้ซามให้ใหยาบให้ไม่น่าปราถนาไม่น่าชอบใจหรอกแต่ส่วนเราจะไปชอบใจนั่นคือวิปริตมนสิยการในใจเราเองนะเรามนสิการไม่ตรงต่างหากที่เรากลับไปชอบใจที่ผลของบาปผลของบาปแท้ๆเลย เช่นเกิดมาจากอบายะเกิดมาจากอากุศลกรรมได้แท้แต่เราไปชอบใจเขาเนี่ยทีนี้บางทีเกิดจากกุศลแท้ๆแต่เราไม่ชอบใจมาจากผลบุญมาจากกุศลเนี่ยเช่นในกระแสะชีวิตของมนุษย์ที่เขามีเสียงไพเราะนี่มาจากธรรมะมาจากกุศลที่เขาสั่งสมดีมีรูปงามที่มาจากผลกุศลดีมามีตางามจมูกงามฟันงามทั้งหลายเลยเนี่ยนะ ตาหัวจหมูกเล่นกายใจของเขาเป็นผลของกรรมเก่าของเขาที่ถูกกรรมปุงแต่งมาอย่างดีเลยเนี่ยแต่เราเห็นแล้วไม่ชอบใจเลยถ้าคนคนนั้นดันเป็นคู่แข่งเราเนี่ยเราไม่ชอบใจด้วยความฉลาดของคนความโง่ของคนเลยเนี้ยนะเนี่ยความฉลาดความโง่ความมีศรัทธาความไม่มีศรัทธาความเกียดค้านความเพียนเนี่ยเราเห็นนามธรรมาของคนบางคนเราก็คัดเคืองขึ้นมาทันทีเลยเคยเป็นไหมไม่ชอบใจเลยคนคนเนี้แก่ แค่พฤติกรรมที่แสดงออกมาคําพูดที่พูดออกมาแค่นี้ก็ยังยังบาปในใจเราให้เกิดอย่างมากมายเลยฉะนั้นปริกราปะอนิถารลมสภาวะอนิถารมปริกราปะนิถารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าปร า, านาไม่น่าชอบใจโดยเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเฉพาะตนเองเนี่ยแต่ตนเองเนี่ยไม่ชอบใจในบุคคล น, นั้นหรือสิ่งนั้นเช่นพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าชอบใจนะแก่บุคคลที่เป็นสมาธิกถิ่นนะ แต่พวกมิจฉาทิฏฐิเห็นน่ะทนไม่ได้เห็นเห็นกระแสขันกระแสพุทธเจ้าทนไม่ได้เลยเกลียดพุทธเจ้ามากเลยเนะี่ยเนี่ยไม่อยากเห็นเลยเนะี่ยอย่างเช่นสัตจการนี่เออไม่ใช่เช่นนิครนนาตบุตรเนี่ยปุรณกัสปามคคารีโคสาละอชิตาเกสักัมพลประกุทักกัจยานะนิครนน า, นน า, นน า, นนาบุตรสันชัยเวรพุทบุตรเนี่ยไม่ปราถนาเห็นพระเจ้าเลยทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นอารมณ์ที่น่าปราถนาแต่ไม่ปราถนาไม่ปรารถนาเห็นไม่ปราถนาได้ยินเสียง ไม่ปราถนาได้ยินใครมาพระนาคุณนิครนนาตะบดเนี่ยตอนที่อุบาลีเข้ามาดีเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นลูกศิษย์ตัวเองต่อมาวาลีเข้ามาดีไปรัทธาพทธเจ้าแม่ไปโตวา่าท้าพระเจ้าไปแพ้แพ้แล้วเดิบรรลุปเป็นพระโสดาบันต่อมาปิดประตูไม่ให้นิครนนาตะบดเข้าพุทธเจ้าขอร้องบอกว่าเคยให้ทานยังไงก็ให้เธอโอ้ยิ่งเสีท้าพทะเจ้าใหญ่ปกติถ้าใครได้ระดับในอุบาลีเข้ามาดีไปเป็นอุบาสก แล้วเนี่ยนะเป็นผู้นับถือแล้วก็โอ้โหระดับมาสตีใช่ไหมท่านก็เลยเปิดประตูแต่ไม่ยอมให้เข้ามาในบ้านนิครนตกใจว่าเอ๊ะมีคนไปบอกว่าเปลี่ยนไปนับถือพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อก็พร้อมด้วยบริวารไปเลยไปที่บ้านพอไปเสร็จเนี่ยปกติอุบาลีเข้ามาดีจะต้องปูอาสนะให้สูงเลยนะให้อาจารย์เนี่ยมาคราวนั้นตนเองนั่งอาสนะสูงกว่าให้อาจารย์นั่งต่ากว่าเพราะอะไรรู้ไหมตนเองเป็นพระโสดาบัน แล้วก็พอมาถึงปั๊บเนี่ยนิครนหน้าจะบวดบอกว่าท่านวิปริตไปแล้วทำไมท่านเป็นอย่างนี้สารพัดตำหนิเนี่ยพอพูดงั้นแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยอุบาลีหันหน้าไปทางที่พระพุทธเจ้าประทับห่ผมผ้าเฉวียงบากราบขอนอบน้อมแด่พระพูทมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้ยพระองค์เองและพณนาคุณของพระพุทธเจ้าร้ยารอยบทเป็นคาถาร้อยบท พภรณนาว่าพระพุทธเจ้ามีวิชาแปดจารณาสิบห้ายังไงเป็นผู้เสด็จมาดียังไงไล่เกินพุทธคุณที่เราท่องกันนะก็เรียพุทธคุณร้อยบทคิดขึ้นมาได้ก็ภาวนาพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสยังไงพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญายังไงไปต้นไล่ป๊อปป๊อปนี่คนกระอักเลือดเลยอ้วกออกมาเป็นเลือดเลยพอได้ยินเงี้ยความแค้นความโกรธประทุขึ้นมาประทุขึ้นมาเนี่ยอ้วกเป็นเลือดสลบสลบตรงนั้นเลย ลูกศิษย์ต้องหามกลับเลยเนี่ยฟังไม่ได้ฟังฟังสภาวะอิทธาลมไม่ได้ฟังแล้วโทสะเกิดทั้งๆที่เป็นความดีตามสภาวธรรมเนี่ยแหละฟังไม่ได้ถ้ามีใครพัลนาคุณคนที่เราโกรธจัดๆเนี่ยนะคนที่เราเกลียดมากแล้วมาพรรณนาคุณนี่เราเนี่ยถ้าเป็นลมไม่เรอทนไม่ได้โหกระอากเลือดเ ล, เลยบางคนเนี่ยมองเห็นไหมไหม คนที่เม้งเกียดมากๆแล้วต่อมามีคนมาภารณาเฉยแล้วออืเหมือนกเอาห อ, อกมาทิ่มเลยนะปึกป๊กปึ๊กปึ๊กอย่างนั้นนะเนี่ยโทสะเป็นอย่างไงนะลักษณะของโทสะเนี่ยมีการทํากายและใจให้หยาบกระด้างเป็นลักษณะก็คือสภาพของโทสะเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้ธรรมะหรือสามยุทธธรรมจิตเจสิกที่เกิดพ ร, ร้อมกันกระตุ้นมีสภาพหยาบกระด้างไม่อ่อนน้อมท่อมตนต่อบุคคล หรือสิ่งของที่ตนเองไม่ชอบใจนั้นมันจะหยาบกระด้างสภาพใจจะหยาบกระด้างแข็งกระด้างขึ้นมาเลยเคยเป็นไหมไม่อยากจะเชื่อไม่อยากจะฟังไม่อยากอยากจะผักอยากจะดา่าอยากจะตําหนิขึ้นมาเลยเป็นไหมบ่อยไหมเนี่ยโทรศัพ์แบบเนี้นะมีความเป็นปฏิปักษ์ต่อบุคคล น, นั้นหรือสิ่งนั้นเนี่ยหรือเวลาโทรศัพท์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นดุมันมีความดุร้ายเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนสอสสลาพิษที่ถูกตีอะ งูที่มีพิษลองไปตีมันนี่มันโกรธไหมโอ้โห و, มันโกรธชกใหญ่เลยีสภาพโทสะจะเป็นอย่างงั้นมีความดุร้ายมากนั้นสภาพของโทสะเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้จิตเนี่ยมีอาการดุร้ายด้วยอานาจการประทุดสรายหรือผลักใส่ของจิตเนี่ยให้พ้นจากบุคคลหรือสิ่งที่ตนไม่ชอบมันจะผลักเลยบอกไม่อยากเห็นหน้าหรืออยากให้คนนี้ออกพ้นไปพอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยถ้าเรามีอํานาจหน่อยมันจะไล่นี่ยไปให้พ้น ไปวนไปเคยไหมบอกไปไปไปไปไปวนมันออกอาการอย่างนี้เลยหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราแบบดูแล้วเนี่ยเราสู้ไม่ได้เหมือนสุนัขเนี่ยเหมือนสุนัขสองกลุ่มเนี่ยถ้าไอ้กลุ่มไหนมันสู้ได้มันวิ่งใส่เลยนะถ้ารู้สู้ไม่ได้มันจะจังงังปุ๊บมึงหงอใช่ไหมทำหนีหนีไม่ได้มันงออย่างนั้นแต่มันหูมันอยากจะไปเต็มทอนนะแต่มันออกรัศมีจากรัศมีนั้นไม่ทัน นูดไปอยู่ท้ายตัวรีบอยู่นั่นแหละ <N> เนี่ยโทรศัพท์จะเป็นลักษณะแบบนี้บ่อยไหมสถานการณ์แบบนี้ใครเป็นบ้างอาการแบบนี้บ่อยไหมโหยอมบีนี <N> ่โทรศัพท์มีกำลังเลยใช่ไหมมันจะมากกลุ่มมาน้าถดถอยบางทีถ้าหากว่าถ้าสู้ได้เนี่ยทำลายเลยทำลายด้วยคำพูดก็ได้ พูดใส่ก็าป๊อปป๊อปปป๊อปอเลยเนี่ยนี่แปลว่ามันเหมือนกับวัดกําลังแล้วเราเราชนะวัดกำลังไปเสร็จป๊อปเนี่ยโอ้โหมีอาการปวดขึ้นมาเลยเนี่ยเนี่ยโธศาสจะเป็นลักษณะแบบเนี้เนี่ยการประทุสลายการประทุสลายนั่นก็คือทํำยังไงก็ได้มันพ้นไปจากจักรทวาลของเราให้พ้นจากตาของเราไปนเนี่ยให้พ้นจากการจากหูจากทวารหูเลยคือไม่ได้ยินเสียงคนคยินได้ยิ่งดี เราไปก็ได้หรือเข้าไปก็ได้มันได้ทั้งคู่โทรศัพจะไปลักษณะแบบนี้หรือว่าการที่จะมายืนหรือคบค้าสมาคมเนี่ยอยากคบกันอีกเลยต่อไปเนี่ยว่าย่างนั้นตัดขาดกันดีกว่าว่างนั้นเขาบอกว่าอะไรเนั้นมีคนคนหนึ่งก็ไปขอยืมเงินอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่มีนะ เขายังไม่ได้พูดว่าไม่มีสาหรับให้ยืมแต่มีไว้สาหรับไว้ใช้แต่เขายังบ้นไม่จบอย่างนี้มันก็คบกันไม่ได้สิว่าอีกคนหนึ่งเขาก็ น, นึกในใจอะไรเองยังคิดว่าฉันอยากจะคบกับเองอยู่หรือนี่เป็นนี่นโทรศัพท์มาจากคาว่าจันทิกะลัคขโนแปลว่าอะไรมีจันทิกะ ก็คือมีกายและใจในหยาบกระด้าง น, นี่โทสะเนี่ยเป็นลักษณะนิสยาหะทานันหาทาระดะหันนะระโสวิสัปปนะระโสก็คือมีการเผาที่อยู่ของตนเป็นลักษณะคําว่าเผาเนี่ยเวลาโทสะเกิดขึ้นมันจะเผาที่อยู่อะไรเป็นที่อยู่ของของโทสะเออเนี่ยมันจะเผาที่ใจก่อนใจจะเป็นยังไงเวลากรธมาก เต้น hmm. แรงขึ้นไหมเออปับปับปับปับปับับมันเผาแล้วเผาแล้วตอนนั้นเผาแล้วก่อนที่จะเผาที่อยู่มันเผาตัวมันเองก่อนไหมมันเหมือนไม่ขีดเนี่ยเผาตัวเองก่อนถึงไปเผาก้านจากเผาก้านแล้วก็ไปเผาอะไรต่ออืมนี่เผามือก่อนเผาขยะจากขยะก็เผาบ้านจากบ้านก็เผาเมืองโทรศัพท์จะเป็นอย่างเนี้ยว่าเรามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นภาพจากเล็กเล็กลุกปุ๊บปุ หัถยะเผาที่อยู่ของตนเหมือนไฟไหม้ป่านั่นแหละโทสะเวลาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถทําลายที่อาศัยหัตถยาวัตถุหัวใจแล้วก็ให้หมดกําลังลงก่อนนะทําให้ขาดความสืบต่อจากนั้นก็ในขณะที่บุคคลโกรธเนี่ยอาการเต้นของหัวใจเอย่ยก็จะที่ขึ้นแสดงถึงการกระตุน้นการทํางานของหัวใจมันเ ร, เ, ร เ, รเร็วขึ้นเร็วเร็วเรขึ้นเนี่ยนะคนที่ตายด้วยการหัวใจหยุดเต้นล้มเหลวทั้งหลายมาจากโทสะ นั้นถ้าปรารถนาอยากจะอายุสั้นหัวใจวายตายก็เครียดบ่อยๆเป็นไหมเป็นคนเครียดบ่อยไหมเครียดง่ายไหมเป็นไม่เป็นเป็นยไม่เป็นโอดีจังมีเมตตาตลอดเลยใช่ไหมจิตใจออดีโมธนาด้วยแม่งเป็นไหมอยู่คนเดียวแล้วเครียดท้ายใจ <c oughs> อย่างนี้ ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้คนจะถอนห้ใจอย่างง้บ่อยั้มไม่เป็นใช่ไหมเป็นไม่เป็นยอมลำเอียกนี่เรียกโทสะคิดประทุสลายใครโทสาก็คิดปฏทุสลายแล้วเหมือนอะไรดีคนโทสะจริตฝึกคิดแบบนี้บ่อยๆวิตกกังวลคิดเครียดกุ้มบ่อยๆบ่อยๆเห็นอะไรก็ไม่ชอบใจเห็นอะไรก็ไม่ชอบใจฝึกอย่างนี้นะ เห็นอะไรก็ไม่น่าปรลาถนาไม่น่าชอบใจอยู่เลยวิตกกังวลกลัวนั่นกะลัวนี่อะไรนึกคิดไว้บ่อยแล้วจะกลายเป็นคนโทสะจริตวิธีคิดวิธีจะทํำให้คนโทสะจริตเห็นอะไรก็ไม่ชอบใจไว้ก่อนไม่ชอบใจไว้ก่อนนะหงุดหงิดเรื่อยๆทําอะไรก็ไม่ถูกใจเสื้อผ้ า, อาวางไม่เรียบร้อยอลําคาญบ้านรกนิดหน่อยก็ลําคานห้องอะไรรกนิดหน่อยก็ลําคาญเสื้อผ้าตากไม่ถูกใจก็ลําคาญขหยิบของย้ายตรงนั้นตรงนี้ก็ลําคาญเหมืนก็ปัดออกเลยนะใครเอาโทรศัพท์มาวางนี่ก็ปัด อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะพยายามทำบ่อยๆเดี๋ ย, ย, ยวจะกลายเป็นคนความดันโลหิตสูงแล้วแล้วก็ทุกคนเป็นงี้หมดเลยนะในความดันโลหิตสูงไม่สูงก็ต่ําไม่สูงก็ต่ํามันจะมันไม่บาลานซ์ไม่ได้บาลานซ์โทสะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้จิตมีสภาพกระสรับกระสายเหมือนบเหมือนอะไรดีเขาบอกว่าโทสะเนี่ยมีความกระสรับกระสายเป็นกิจ จิตตัวนี้คือเวลาโทสะเกิดขึ้นมามันจะกระสับกระสายเหมือนอะไรเหมือนถูกวางยาพิษอคนถูกวางยาพิษนอนเฉยได้ไหมมันกระสับกระสายกระสับกระสายนั้นเวลาโทสะเกิดขึ้นทําให้จิตกระสับกระสายไม่สงบเยือกเย็ยนมีความเร่าร้อนดุดอสรพิษที่ถูกตีโอ้ยงูเข่าลงไปตีมันนึ่มันเจ็บโอ้โหมันมันมันฉกไปทั่วเละเนี่ยลักษณะของโทสะจะเป็นไง คนที่ถูกโทรศั์ครอบงำก็จะเป็นอย่างนี้มีการกระสับกระส่ายกระวนกระวายเดือดร้อนใจอยู่ไม่เป็นสุขไม่อาจระ ง, งับความรู้สึกให้สงบลงได้เพาะนั้นโทรศัพเนี่ยมันประกอบกับโทรศัพมูล จ, จิตใช่ไหมที่จัดว่าเป็นมนโนวิญญาณธาตุนี่ก็ต้องอาศาัยอหิยวัตถุกเกิดไม่สามารถเกิดขึ้นโดยไม่อาศาัยอหิยวัตถุเนี่ยฉะนั้นมันจึงเผาที่อยู่เผาที่อยู่ตัวเองเนี่ยจิตของเขาเป็นอย่างงี้กระสับกระส่ะสายตลอด เหมือนถูกวางยามือเหมือนงูถูกตีเนี่ยจะกระสรับกระสายร่าร้อนตลอดเวลาอย่างนี้เป็นนี้เนี่ยทศนะปะัจจุบันโน้มีการปฏิทิสล้ายเป็นอาการปรากฏเป็นไงเหมือนศัตรูที่ได้โอกาสสภาพของโทรสารเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมั้มีผลกระทบต่อจิตใจก่อนแล้วก็มากระทบร่างกายทีหลังไอ้ร่างกายและจิตใจเนี่ยนั่นจะถูกกระทบบุคคลที่ถูกโทรสารครอบงำในร่างกายก็จะเศร้าหมองอ่อนแอ เป็นบ่อกเกิดของโรคด้วยจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายนะยเหนื่อยง่ายเพราะอาการที่ตนเองปรับทนระบบหายใจไม่บาลานซ์ระโกฏขึ้นมาก็หายใจเร็วเลยๆนียพอหายโกรธก็หมดแรงอย่งางเงี้ยเน่ยนมันจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีไม่มีใครทําอะไรเราอยู่เนี่ยแต่เหนื่อยจังวะหลอกเหนื่อยอะไรเครียดด้วยเขาบอกงเครียด ในข้าในะข้าก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นตอนแก่เนี่ยมันทําอะไรได้ไม่ค่อยได้ดังใจ ก, ก็หงดหงิดหงิ ด, ง ด, งดแต่ก่อนเคยทําอะไรได้แต่ก่อนตามองเห็นดีๆหูเล่งดังเนี่ยในนะข้าในะข้าก็จะเครียด น, นี่เป็นอย่างนี้อาการปรากฏมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละจิตใจไม่ปกติมันจะมีการปทุสลายบุคคลที่เข้าใกล้และทําลายสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้เสียได้ได้ได้เ ส, สมอ เวลาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอะไรที่อยู่ใกล้ๆจะถูกทําลายบางทีเห็นเสื้อผ้าอยากจะโยนทิ้งเลยอย่าอย่าทำลายมันจะออกมาอย่างงี้ยสิ่งของแท้งหลายเนี่ยบางทีกวาดอะไรเนี่ยกวาดลกๆเลยโยนทิ้ง <c ười> เคยเป็นไหมลาําคานเลยโยนทิ้งเลยเนี่ยมันไว้ทีไรก็มดก็ขึ้นเอไว้ทีไรก็มดก็ขึ้นนโยนโครมออกหน้าต่า <c ười> เออพวกนี้ก็จะเขา คนโทสะจริตเนี่ยจะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบห้องโสกโปกไม่ไม่ชอบเลยเนะแล้วมันคล้ายๆปัญญาจริตเนี่ยมันคล้ายๆกันเนี่ยไม่ชอบของไม่งามคนโทสะจริตไม่ชอบดูศพถ้าศพหน้าเกียดเลยแล้วโหวดูไม่ได้เลยอืหจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉะนั้นเวลาจะจัดห้องปฏิบัติให้กับโทคนโทสะจริตเนี่ย ต้องใช้ห้องโล่งๆอย่าอย่าเอาห้องอื่นอัดให้ปฏิบัตินะเวลาจะจัดที่อยู่ให้คูปฏิบัติต้องดูโทนนิสัยมนุษย์ถ้ <c oughs> างั้นเขาบาปเกิดกับเขาเยอะเลยดูเอาห้องโล่งๆปรง่ปรงๆนะให้ห้องสบายๆถ้ า, างั้นโอ้โหโทสะเขาเกิดอยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าจะจัดห้องให้คนราคะยลิตอย่างเจ้านินเนี้ยนะจัดห้องสกรปรก เขาถ้าอยู่ในห้องโซ่กรอกแล้วเขาจะไม่เขาจะไม่ติดใจทางนั้นน่ะมันมันจะไปให้อาหารมันจะไปให้อาหารถ้าไปห้องสะอาดกริบเลยจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยโอ้โหยี่เขาเพลินอยู่นั่นแหละตอนนี้เพลินไม่ได้มีการไม่กิจในการจเจริญกุศลเลยอะอาหารก็ให้อาหารไม่ดีโอ้โหเดี๋ยวก็ติดในรถอีกแล้วอาหา ถ้าโทสะเนี่ยทำอาหารไม่วิจิตบรรจงมันโกรธตายเลยนะมันมนั่งโกรดอยู่เนี่นแหล ะ, ะเวลาก็ต้องตั้งให้เขาเหมาะสมแม้อาหารก็ต้องวิจิตบรญญองก็เออเขาจะผ่อนคลายเขาจ ะ, จะทําให้โทสะเขาไม่เกิดถ้างั้นจะไปเพิ่มโทสะเขาถ้าเอาอาหารแบบอืแล้วคนคนโทสะจริตเนี่ยมันชอบอาหารรสหยดถ้าอาหารรสเซ็ฟเนี่ถูกใจโทสะก็ไม่ค่อยเกิดถ้าเป็นอาหารรบจืดนมึงหงอยากจะคว้างทิ้งเลย ไอรถแบบไม่ได้เรื่องในเลาเนี่ยโหเขาอยากจะปัดทิ้งในพวกโทสะจริตจะเป็นแบบนี้ถ้าราคาจริตจะต้องให้อีกตรงกันข้ามเขาไม่ค่อยโทสะเขาไม่ค่อยเกิดไงพวกราคาเนี่ยใช่ไหมละ่ะกินอกินอาหารแบบไม่อร่อยบ้างอาหารที่สีไม่สวยบ้างกลิ่นก็เหม็นเหม็นบ้างอะไรก็กินได้ตั้งนั้นแหละแต่ราคาเขาจะไม่เกิดมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าจะหาภรรยาก็ต้องหาภรรยาที่ขี้เละสุ ด, สด โอ้ยที่เปิดในออกเปิดดูแทบพังหงาเลยงั้นโอ้โหอันนี้มันคนหรือมันอะไรกันแน่เนี่ยอย่างเงี้ยเยอเข้าใจอยังห้ามหาภรรยาสวยแต่กันหลงอยู่นั่นแหละถอนก็ไม่ขึ้นยันยังเคยบอกอดีตภรรยาของเจ้านิลเ็าเนี่ย วิธีจะทําให้เจ้าเน้นก็เบื่อทําอย่างนี้พอบอกสี่ห้าอย่างจเจเตี้ยบอกไม่ไหวทําไม่ได้โอ้ที่บอกมามันหลุดสุดทุเลสส็ดสุดเลยว่าจะแต่แต่ไม่บอกเลยให้บอกทำอย่างไงเราทําอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันจะโกะมันจะไม่เอาเลยมันจะไม่รักเองอีกเ ล, ล้ว <c oughs> <c oughs> มันทําง่ายนิดเดียวจะทําให้คนเกลียดเนี่ยใช่ไหมล่ะทําให้ทําให้โลภะเขาไม่เกิดก็ทําได้จะทําให้โลภะเขาเกิดก็ทําได้ มนุษย์ถ้าฉลาดหน่อยมันเลี้ยงอาหารได้หมดเลยจะเลี้ยงอาหารใกิเลสตัวไหนเกิดใช่ไหมแต่ไม่ค่อยดีลุพวกนี้เยอะก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีงนนั่ น, นอ้าวเดี๋ยวอะไร น, นิกิตแล้วเนี้ยอาคาตวถูประทัฐานโนอะไรเป็นเหตุการของโทสะเรื่องละ ก, ก็คือ ราคาแต่ว่าถุ ก, ก็คือเหตุที่ทําให้เกิดความโกรธเนี่ยนะความไม่พอใจ น, ะนั่นนึงนั้นมีหลายเรื่องมากเลยนะเนี่ยเขาเคยทําความเสื่อมเสียให้แกเ <c oughs> นะ่เราเช่นเราจําได้ในอดีตในคนคนนี้เคยทําอะไรในเรื่องที่ไม่ดีให้กับเราคิดถึงคนค น, นี้ที่ไล่โทรศัพท์ก็เกิดคนคนนี้เคยพูดไม่ดีกับเราเคยทําไม่ดีกับเรา เคยต้อนรับเราไม่ดีเคยต้อนรับเราเคยใช้กวาจากับเราไม่ดีใช้สีหน้ากับเราไม่ดีเอทําทําอุปทิสัยหิ่งกับเราอะไรเงี้ยถือตัวจัดกับเราก็แล้วแต่เนี่ยอากาศกิริยาอย่างนี้เนี่ยเขาเคยนะแล้วก็บอกพอมาเจอกันใหม่ก็มีอยใารว่าเขากําลังทําความเสื่อมเสียให้กับเราอยูแล้วเนี่ยเมื่อยิ่ได้หน้าแบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็ทําหน้าอย่างนี้กับเรามาปีนี้ก็ทําหน้าแบบนี้กับเรา เมื่อปีที่แล้วก็ทําอากับกิริยาอย่างนี้ให้กับเรามาปีนี้ก็ทกํากับกิริยาอย่างนี้กับเราโกรธไหมเนี่ยโกรธแล้วก็ต่อไปไม่เจ อ, อไอ้คนนี้คิดไว้เลยว่าต่อไปเจออีกเมื่อไหร่เขาก็จะต้องทําปฏิกิริยาอย่างนี้ให้กับเราอีกวางแผ น, น, นะนเลยนะคนเดีโทรสามรับได้สามการนะอดีตมันก็รับได้ใช่ไหมปัจจุบันที่กำลังปรากฏเฉพาะหน้ามันเห็นอยู่มันก็โกรธได้และแ้ะตอนนี้คํานวณเลยเนี่ยคนคนนี้ต่อไปไม่ฮะ แล้วมันจะทําความโกรธให้กับเราทําความไม่พอใจกับเราเนี่ยหรืออาฆาตเพราะคิดว่าเขาได้เคยทําความเสื่อมเสียให้กับคนที่เรารักเนอมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนี่เนี่ยเคยทำว่าทําไม่ดีกับแม่เราทําไม่ดีกับพ่อเราทําไม่ดีกับสามีเราทําไม่ดีกับภรรยาเราทําไม่ดีกับลูกของเราทําไม่ดีกันอาของเราหน้าของเราโกรธไหมเนี่ยเคยทําไม่ดีทําความเสื่อมเสียทําความเจ็บหายกับกับคนที่เรารักแล้วบอกว่า เขากําลังทําความเสื่อมเสียให้คนที่กําลั ง, ลงที่เราเราลักนี่ทำํำแล้วคาหวังเลยว่าในอนาคตเขาก็ต้องทําไม่ดีกับญาติเราอีกกับคนที่เราลักอีกนี่ประการที่เจ็ดอาฆาตเพราะอะไรไหมเขาได้เคยทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดโู <c oughs> ดูมันไปขนาดนั้นใน อ, อ, อ, อ, อาคาตวัตถุนี้ ไอ้อ น, นี่เราเกลียดมากแล้วบอกไม่ให้คบไม่ให้คุยด้วยเราเคยบอกไว้อย่างเงี้ยไอคนคนนี้มันไม่ดียังไงยังไงไงบอกทุกอย่างยังไปทําประโยชน์ให้กับมันอีกโกรธไหมเนี่ยเคยไปทําประโยชน์ให้คนที่เราเกลียดเขากําลังทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดและเขาจัดทําประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดข้อสุดท้ายก็คือว่าอันนี้เป็นอาฆาตเล็กๆน้อยๆนะ เดินเดินไปแล้วส ะ, ะดุดเส <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือล้มกอดใครกอดคอนปูเสือไม่ใช่กอดเสือหรอกมันมาปูยังไงมันกอดคอนปูเดินเดินเดินไปยมีเตะกระถอนโตมก็ให้กอดใครวางไม่เป็นที่เป็นทาง หนาวจัดก็โกรธร้อนจัดก็โกรธฝนตกก็โกรธฝนไม่ตกก็โกรธใบไม้ร่วงก็โกรธใบไม้ไม่ร่วงก็โกรธเนะยเป็นไหมงดหงิดเหลือเกินหนาวงดหงิดเหลือเกินร้อนเพราะว่าพอไปอยู่ห้องใหญ่งดหงิดมากมันว้าเวบผมงดหงิดห้องมันใช่ เกิดมีใครมานอนขึ้นมาอีกดิดูทำดิดูทําก็ว่างั้นเคยกอดอย่างนี้ไหมเคยไม่เคยยอมรับมาหรอหรอ อ๋อเป็นงั้นหรือเอ้ย น, นี่นี่ไม่ได้อ๋อมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นดเดยอันนี้ว่าจะยกอธิบายธรรมะอันนี้มันมาได้เรื่องนี้ด้ไแล้วตอนนี้หายยังหายโ <c oughs> <c oughs> อ้โหแ้กกิเลสนี่ขนาดนี้เลยนี่ขนาดอยากเปิ้นทุกนะเนี่ย <c oughs> โอ้เข้าใจแล้วโลกใบนี้ไม่มีดุนยาภาพจริง นั่นปรับที่ไหนปรับดุลเสื้าเขาปรับที่ไหนปรับที่ใจนะะถ้ามีอํานาจก็ปรับวัตถุได้ด้วยที่อํานาจไม่พอปรับถ้ามีอํานาจนี่สั่งการได้เลยทันทีเลยเนี่ยเขาต้องทําให้อย่างรวดเร็วเลยนะได้ไหมถ้ายังเจ้าปลาจะไปดินสเสด็จเนี่ยโอไม่ได้เลยนะี่แบบนี้โอต้องทันทีเลยเนี่ยถนนต้องปูราดยางนี่เพรเอืญบุญไม่พอไม่เป็นไรให้ทานเยอะๆแสดงว่า เจรณะน้อยไปหน่อยใช่ไหมวิชาก็น้อยเจรณะก็น้อยนี่โหลําบากเลยนะเมื่อคืนพูดเรื่องวิชาและเจรณะใช่ไหมจาะนั้นต้องกลับไปเพิ่มเติมเจรณะน้อยทานกุศลศีลกุศลน้อยเธอคนทานกุศลศีลกุศลดีนี่โอ้ขนาดมนุษย์ไม่จัดให้เทวดายังทนไม่ไหวเท้าสก่ามาเนรามิดเลย <c oughs> อันนี้ไม่เอาอีกแต่เท้าสก่าจะเนลมิดกันมากลัวอีก เพาบุญไม่พอนะบุญไม่พอม <c oughs> ีอาคาตวัตถุเนาะก็คือสิบประการเนี่ยเป็นอุบายเอ่ออุบายกําจัดโทสะนะหลังจากมีอาคาตวัตถุสิบประการก็มีอาคาตวิรัตด้วยสิบประการด้วย <c oughs> อุบายในการที่จะกําจัดความโกรธ อ, อยากี่รู้ไหมก็คือมี1ิบประการเหมือนกัน ในศิประการก็คิดเสียว่าการที่เขาได้ทาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราก็ห้ามเขาไม่ได้เนี่ยให้คิดอย่างนี้เราก็ห้ามเขาไม่ได้หรอหรือคิดเสียว่าการที่เขากําลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาก็มีพฤติกรรมของเขาอย่างนั้นเราจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมเขาอย่างไงศักยภาพแล้วมันไม่ถึงมันไม่พอก็เลยวางท่าทีทางใจแบบนี้หรือคิดเสียว่าการที่เขาจัก ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แกเราล้วก็ห้ามไม่ได้ก็เป็นเรื่องอนาคตด้วยจะเป็นเรื่องตัวเขาเขาด้วยฉะนั้นเขาจะเคยทําไปสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรากําลังทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แกเราหรือจกทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แกเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ได้ไหมหายไม่คิดแบบเนี้ยไม่ใช่พราะบอกห้ามเขาไม่ได้ไม่บอกเ่ร แล้วเขาทําอย่างนั้นทําไมมั น, ม, น, ม, นมันจะพยายามจะโกรธให้ได้นะไอคน้ไอ ค, นไอคนที่โกรธเนี่ยมันจะหาเหตุผลมันเข้าใจปะมันจะหาเหตุผลว่าเขาทําอย่างนี้ได้ยังไงน้ะทั้งๆ ท, ที่เอาคําสอนของพระเจ้าไปบอกว่าอย่างเงี้ยยังไม่ยอมอีกอันนี้แปลว่าเรานี่กําลังขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับความจริงก็กดความจริงเราก็เราก็ตายอย่างเดียวใช่ไหมประการที่สี่คิดเสียว่าการที่เขาทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เรารัก แล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันใช่ไห่ใช่ก็เขาต้องการจะทำเขามีบุคลิกภาพมีพฤติกรรมอย่างนั้นหรือเขากำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักเราก็ห้ามไม่ได้จักทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักรก็ห้ามไม่ได้คิดเสียว่าการที่เขาได้ทำประโยชน์แก่คนที่เราเกลียดชังเขาเคยทำประโยชน์ให้กับคนที่เราเกลียดชังเราห้ามก็ได้ไห กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนที่เราเกียรติชังจัดทาประโยชน์ให้กับคนที่เราเกียรติชังเราห้ามไม่ได้หรือการที่เขาปูเสื่ออย่างนี้ใช่ไหมเราก็ห้ามไม่ได้ก็เขาทำเขาอย่างนั้นเขาจะปูโต๊ะอย่างนี้ปูเตียงอย่างนี้จัดสถานที่เหล่านี้จัดอาหารอย่างนี้ทำอะไรอย่างเนี้ยเราก็ห้ามเขาไม่ได้คิดนินได้ไหมแลเขามี กระบวนการความคิดมีวิสัยทัศนคติมุมมองข้อาคิดบุคลิกภาพของเขาทนอุปนิสัยการกระทําประมวลความคิดหรือความรู้ความเข้าใจของแต่และบุคคลเขาได้แค่นั้นเขาก็ทําของเขาตามแค่นั้นเราก็วางใจว่าเออเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เขาทาเพราะเราห้ามไม่ได้เขาจะย่างเราจัดแจ้งไม่ได้แต่ถ้าเรามีปัญญาพอความสามารถพอเราจัดแจงได้ไหม เขาปูปโตเขาใช้สีขาวเขาบอกพ อ, อดีฉันมีผ้าสีนี้นะฉันขอเปลี่ยนเป็นสีนี้ได้ไหมครับเออดีๆทําได้ไหมวันนี้ยนี่ความสามารถถึงแล้วแต่นี้ยเ อ, อเสือมันลื่นๆหน่อยเออนี่ยฉันมีพรมนะเอ อ, เอาพรมมาโปดีไหมเนี่ยอออย่างนี้เป็นต้นมองออกอย่งถ้ามันยังทําการใดไม่ได้เขาก็ปรับยอมรับในสิ่งที่เขาทาเป็นคันติระดับหนึ่ง และถ้าหากว่ามีปัญญาเพียงพอพัฒนาจากขันติมีปัญญายอมรับได้แล้วก็แก้ไขสถานการณ์นั้นได้อู้พัฒนาไปต่อเลยเดี๋ยนี้อันนี้วิธีตัดรากของโทสะโทสะเป็นเหตุของอะไรโทรสะนี่เป็นมูลของอะไรเป็นมูลของอกุศลเป็นรากของอกุศลนะวันนี้ได้แค่โลภะกับโทสะเองได้แต่รากสองรากไม่เองรากที่สามไม่ทันจบเหลือห้านาทีจะจบจะหมดเวลา ตอนช่วงบ่ายก็เอารากคือโมหะโมหะฮะไอตัวสำคัญคือเอาวิชาเอากที่สดกูสดหน่อย